เราจะสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเขามีฉายาว่าจับชายแมนฉายาจับชายแมนฉายาก็น่าสนใจแปลกดีเนื้อหาชีวิตก็น่าสนใจจากนักเรียนทุนยากจนไปเป็นนักเรียนต่างประเทศครับไปเป็นวิศวกรขององค์การอวกาศนาซาสุดท้ายกลับมาค้นพบความสําเร็จของชีวิตในป่าช้าครับตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับดรวรพัทผู้เจริญครับหรือจับชายแมนครับสวัสดีครับ ผมเรียกเรียกได้หลายแบบเรียกว่าชันด็อกเตอร์ก็ได้เรียกอาจารย์ก็ได้เพราะเป็นอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาอยู่ด้วยผมต้องเรียกอาจารย์เป็นอาจารย์ที่วิศวะจุฬาอนี่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เลยนะหรือจะเรียกจับชายแมนก็ได้แกงโ霍ก็ได้อะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้คือตอนแรกผมนึกว่าพอบอกเป็นด็อกเตอร์เนี่ยอาจารย์จะใส่สูตรผูกไทยออกมาอันนี้ดูเป็นศิลปินล้านนามาก200บาท สองอยบาทสบายดีสวยงามสวยงามจับชายแมนมาจากไหนครับอาจารย์น่าจะรู้ลหลายๆเรื่องมากเลยเรื่องนู้นก็รู้แล้วก็เป็นวิศวะหลายแบบอ่ะครับแม้แต่ในวิศวะด้วยกันก็มีหลายสาขาใช่ใช่ใช่และอาจารย์ก็รู้นอกเรื่องวิศวะด้ว ย, วยใช่หลายเรื่องเขาจ <ๆ S 1> ับแค่คนจับชายแมนใ ช, ใชแ่แต่เมื่อกี้ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าความสําเร็จของอาจารย์เนี่ยกลับมาเกิดที่ป่าช้าในประเทศไทยถ้อย่างนั้นจริงไหมครับ จริงครับมันยังไงครับอาจารย์มันไม่ได้เกิดที่องค์การนาซาหรอเห็อาจารย์ได้ทุนวิจัยระดับโลกชนะการประกวดงานเรื่องเรืเรื่องจิบจ้อยในชีวิตจิบจ้อยในชีวิตจิ๊บจ้ยในชีวิตเรื่องแล้วแล้ไอที่ยิ่งใหญ่ในในประเทศต้องค้นพบในป่าช้าจริงๆนะเพราะว่าเราค้นพบเิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือค้นตัวเราเจอเราหาตัวเราเจอแล้วไงยิ่งใหญ่กว่าไปสร้างเขาจรวดเจริดอะไรอีกเลระฮะเขาไพวกนั้นมันก็มีประโยชน์ในระดับเล็กๆเล็กๆ แต่สิ่งที่เจอยิ่งใหญ่ที่สุดตัวเราแล้วสิ่งที่เจอสามารถเปิดเผยได้ไหมครับวันนี้ก็ได้นะถ้าอยากจะรู้จักผมเนี่ยก็หาตัวท่านที่เจอก่อนแล้วจะรู้จักผมอถ้อน้องนักศึกษาหรือท่านผู้ชมฟังแล้วงงของก็งงเงี้ยเดี๋ยวจะบอกว่า ตอนนี้ท่านงงเดี๋ยวโดนเฉลยเดี๋ยวช่วยการจอดใจไปรอแป๊บหนึงท่านจะไม่งงท่านจะรู้จักตัวเองและจะรู้จักอาจารย์ด้วยเราจะตามอาจารย์ตั้งแต่นาซ่าไปจนถึงป่าช้าเลยอ่าไอ้นาซ่าเดี๋ยวพี่ตามให้ป่าช้าเดี๋ยวนัดผมเล่นนาซาเลยเนี่ยทางจะกลัวแล้วเนี่ยวันนี้ก็กลัวกลัวผีแล้วอย่าคิดว่าผมไม่กลัวอาช่วงหน้าครับกลับมาการทีเยวเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่อยู่ภายในหัวใจของเราครับคาวกลับมาครับ ไวแล้วนะครับว่ารายการเจาะใจในคืนนี้นั้นเราจะเจาะใจผู้ชายคนหนึ่งที่มีความหลากหลายในบทบาทอย่างยิ่งเป็นคนที่เท่าที่ผมทราบนะแต่เดี๋ยวเราจะทราบพร้อมๆกันว่าเป็นอย่างไรหรือเปล่าเป็นคนที่ชัดเจนพูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่คิดแบบนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ในหลากหลายประเภทและปัจจุบันก็เป็นคนที่บริหารการจัดการองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศไทยทีเดียวในในแนวหน้าของประเทศคนหนึ่งทีเดียววันนี้เราจะคุยกับท่าน และสุดท้ายความรู้ที่เราจะได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดกว่าเรื่องใดๆนะฮะเริ่มจากนี้ก่อน อ, อาจารย์เป็นคนไงครับถ้าให้มองกลับไปที่ตัวเองตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนแบบนิสัยยังไงตอนเด็กกับตอนนี้คนละคนกันนะเอาตอนเด็กก่อนจริงๆแล้วตอนเด็กเล็กๆนี่ยผมจะคิดอยู่ในใจแต่ก็จะเกรงใจคนก็จะไม่ไมบอกอะไรมาแต่วิธีคิดนี้จะไม่ค่อยตรงกับใครเท่าไหร่อันนี้เป็นมาตรฐานเด็กไทยเลย ไม่เห็นด้วยก็ต้องไม่แสดงออกเดี๋ยวเจ็บตัวเพราผู้ใหญ่ต้องอย่าไปคิดแบบนั้นเจ็บตัวแน่ฮะเราก็จะเมียเมียเบาไว้อะไรฮะที่เป็นความแตกต่างที่อาจารย์คิดโอ้หลายเรื่องเลยเช่นทําไมคนอายุเท่ากันต้องมาเรียนห้องเรียนเดียวกันเพราะในชีวิตจริงเนี่ยอายุเท่ากันที่ไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคนอายุเท่ากันใช่ไม่มาเรียนห้องเดียวกันต่อมาทําไมนักศึกษาต้องกัดผมสั้นด้วยทําไมถึงโดนตีด้วยเส้นผมเกี่ยวข้องกับเกรดอย่างไร อืมใช่ไหมหลายคนก็ได้ด้วยที่รุนแรงแนอนอนแล้วก็วรรณคดีเนี่ยผมก็มองเห็นว่ามันเป็นแต่เรื่องเรื่องการซะเยอะทำไมเราแต่เรื่องกามมาทําไมเอามาสอนทําไมเรื่องวรรณคดีนางวันทองเป็นผู้หญิงดีมากอย่างเงี้ยพระพระอภัยกับขุนแผนเนี่ยขุนแผนยากวันทองนี่เรื่องขุนแผนใช่วรรทองเป็นผู้หญิงที่ดีนะเป็นเพราะถ้าใครได้สามี นิสัยเสียอย่างขุนแผนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้อเพราะสามีไปโมีแฟนทั่วไปหมดเลยต้องประหารขุนแผนผมคิดตอนนั้น่ะไม่น่าประหารนางวันทองครนางวันทองก็ให้เลือกระหว่างสามีใหม่กับลูกชายเขาไม่ได้ให้เลือกผู้ชายสองคนนะเราเข้าใจวันคดีผิดหมดเลยเดี๋ยวตอนนั้นชรราชาถามนางวันทองว่าจะอยู่กับขุนช้างหรือขุนแผนไม่ขุนช้างกับจมื่นไวจะหมื่นไวยเป็นลูกอห็นไหมฮะเห็นนะแล้วเราก็ไปตรีตา ผู้หญิงอย่างเงี้ยผมว่ามันผมไม่เห็นด้วยแต่แรงนี่คือความรู้สึกที่ไม่เหมือนคนอื่นใอ่แต่ตอนนั้นแหะเรื่องเลยไม่พูดเอี่ยวพระภัยมณีเงี้ยได้นางยักษ์แล้วก็ไปได้นางเรื่องต่ออะไรเงี้ยครับหรือสังทองอ่ะปล่อยให้แม่ผู้มีพวกคุณตายที่เชิงเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเออใช่ไหมทางด้านนั้นมันก็จริงนะตันยูไปไหนอแค่เขาเป็นยักษ์เนี่ยเขายังไม่ทําอะไรผิดเลยแล้วนางยักษ์อย่างพระภัยมณีนะน่ารักจะตายนะ วางแบ่งรายได้ก็เออเป็นนางเอกคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ได้หมดเลยนะใช่ปะเราก็เปลี่ยนทุกคืนเลยคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้เออนะเออแล้วเราไปได้นางเงือกได้ยังไงอะเก็ดเต็มตัวเลยอะผมก็คิดแล้วบอกง่ายๆนะเออเลือด็กอะเนาะแล้วที่เกลายเป็นไปทิ้งเขาจนเขาอกแตกตายใช่ไหมตอนใจตายนี่คือผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบ แล้วผมก็เลยมองว่าข้าราชการสมัยก่อนข้าราชการไทยเนี่ยก็เป็นนิสัยขุนแผนภาคภัยนณีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับเรื่องใหญ่คือเรื่องเรื่องเพื่อนผมครครรัับบเพื่อนผมเขาถูกครูตีทุกวันเพราะไม่ทํากันบ้านครับแล้วผมก็ไปรู้ประวัติเขาว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยพ่อแม่หย่าร้างแล้วก็ที่บ้านเขาไม่มีใครสนใจดูแลครับผมก็เลยเดินไปหาครูแล้วบอกว่าทําไมตอนอยู่ป .7 นะคืคมอม .1 ตอนเนี้ย ว่าครูทำไมไม่อ่านหนังสือจิตวิทยาแล้วกลับเข้าไปคุยที่บ้านผมเพื่อนผมทำไมแก้ปัญหาปลายเหตุคือเด็กมาโรงเรียนตีตีเด็กใช่ทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นไม่ไม่ให้ความรักทำไมไม่อ่านจิตวิทยาอ่ากตอบว่าก็ผมก็เลยโดนด้วยเด็กประมาณเนี้ยนะก็ยังพูดบ้างแต่ไม่ไม่มากเท่ากับที่ตัวเองคิดคือแน่นอนแอนมีเยอะแยะเลย อาจารย์เป็นคนตอนเด็กๆนะฮะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่หรือเป็นคนชอบสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษยังไงครับถูกทุกข้อหมดที่ใช่หมดก็ขอค อ, อไปที่ถูกทุกข้อเล <c oughs> <c oughs> ่าอ่านหนังสือเยอะมากอ่านจนหมดห้องสมุดจนจนครูที่โรงเรียนให้เป็นบรรรุที่ห้องสมุดซะเลยเกิดจากอะไรครับทำไมถึงชอบอ่านขนาดนั้นน่าจะพ่อแม่ผมเขาทํางานนะแล้วผมอยู่บ้านเรื่องจากความจนเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทําลยนะ ถุงกลวยแขกยังต้องอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีห้องสมุดแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอแล้วพอไปเมืองนอกในห้องสมุดมีทุกแห่งแห่งเลยนาะมีประเทศเนี้ยขาดแคลนห้องสมุดน้อยสุดแล้วเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆเขาน้อยมอกเลยอแต่เรามีพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดอยู่นะนี่คล้ายๆห้องสมุดเป็นสิ่งที่สาบสนไปแล้วจริงๆใช่ไม่ได้มาห้องสมุดแต่เชื่อมโยงกันไหมจานคนก็ไม่ค่อยอ่านด้วย ก็เป็นไปได้ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเาบอกว่าอ่านแค่สองเล่มต่อปีนั่นเองเฉลี่ยคนไทยเหรออ่านน้อยเจ็ดบรรทัดต่อคนต่อปีแล้วแล้วไอ้สองเล่มนั้นเป็นหนังสือดารานะแต่ว่าที่อาจารอ่านเยอะๆเนี่ยอ่าทุกห้องสมุดก็คือค่อนข้างหลากหลายหัวข้อใช่ไอาจารย์อยอมากมีมีหัวข้อไหนหรือว่าชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมฮะสมัยก่อนก็ประวัตินักวิยาศาสตร์เอกของโลก อ๋อเป็นเป็นเด็กที่สนเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตอนเด็กแต่ก็ผมสนเยอะนะประวัติศาสตร์ไทยลบพม่าอะไรนก็จะอ่านครับอันทุกเรื่องอะศาสนาจิตวิทยาวรรณคดีอะงั้นไหนๆเราคุยเรื่องอดีตแล้วนะย้อนไปเลยครอบครัวอาจารย์ย่าจนหรือยังไงครับตอนเด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่เคยรวยนะแต่พอพอผมเกิดมาได้สองขวบก็ด้วยบารมีผมล้มละลายทั้งคู่เลยบารมีสูงมากเคยรวยนี่ประมาณยังไงฮะก็ เป็นเจ้าของโรงแรมต่างจังหวัดเป็นโรงสีแต่งจังหวัดอะถึงภาพออกนะเจ้าสัวอแล้วก็ถูกเพื่อนโกงคุณพ่อคครรัับบล้มละลายเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นคนจนแล้วก็มาชีพอะไรเนะก็ไม่มีอาชีพเลยเลยก็อบพยพจากต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพคครครัับบแล้วพ่อแม่ไปเดินเล่นอยู่แถวซอยรุม่มด้วยดีก็ไปเจอบาทหลวงท่านคริสตเขาบอกว่าอยากให้ลูกเรียนฟรีไหมเด็กยากจนอยากเรียนฟรีไหมแต่ต้องเปลี่ยนศาสนา เป็นคริสเป็นคริอ๋อพ่อแม่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนอาจารย์เรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนอสมชันธนบุรีไฮโซอ๋อแต่จนเนี่ยทีนี้จนๆในโรงเรียนไฮโซนี่มันรันทดนะยังไงนะยังไงเอาเวลาของหายในห้องเนี่ยเขาจะโทษใครอ่ะอ๋อก็เด็กจนนี่แหละนี่อ๋อทนี้ก็โเราไงขบวนไปที่บ้านเลยไอ้ใครขบยนาฬิกาใครขโมยปากกาอย่างงี้ฮะ แล้วอาจารย์คืนเขาไหมครับไม่เด้เอวไปอันนี้รอนเลยนี่คิดนานนีะว่าแรีสุดท้ายตอนหลังโตกันแล้วอายุปิดฝ่ามานั่งดูกันแล้วปรากฏว่าคนที่ขโมยไปจริงๆเนี่ยกลายเป็นคนรวยฮะเพื่อนในห้องเป็นคนรวยแล้วปัจจุบันเป็นแพทย์ด้วยไม่รู้ใครเนาะโดยจัญญาต้องไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อลบอาจารย์น้อยเนื้อต่ำใจขนาดไหนฮะตอนนั้น ก็มันทำให้ผมเริ่มมองว่าสังคมไทยตอนนู้นนะผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศชาติล่มจมแน่นอนยังไงครับมันมันยังไงฮะล่มจมยังไงครับโอ้โหวิธีคิดก็ไม่ได้เรื่องสังคมก็ไม่ได้เรื่องไว่รับผิดชอบนะผมมองเห็นว่าโกงกินเยอะมากคอรับช่นก็เยอะผู้นําประเทศตอนนั้นนะราชการต่างๆก็โอ้ทำไมเชย่างเลยนะจ๊ะอันนี้ขนาดเด็กมองนะปุ๊บปอมมหนึ่งมสองก็มองออกแล้ว อว่าว่าเรามักจะพูดด้านดีของเมืองไทยว่าคนอบอ้อมอารียังไงก็ได้ยิ้มไว้ก่อนแต่เด็กกลับมองว่าระบบต่างๆเราล่มสลายหมดเลยยิ้มแบบยิ้มแบบไร้สาระยิ้มแบบ <c oughs> <c oughs> ยิ้มแบบไม่มีระบบอ่ะยิ้มแบบแต่แต่ถ้าพูดจริงก็จริงนะถ้าเราขับรถออกจากบ้านไปไปโรงลเรียนหรือไปที่ทํางานคุณจะเห็นสิ่งผิดกฎหมายเต็มไปหมดเลยออง่ายๆเลยผิดกฎจราจรขายของในที่ที่ไม่ให้ขายหรืออะไรก็ตามของผิดกฎหมายมีมี้เห็นตลอดเวลา แล้วคาไอ้คาพูดที่บอกว่าวันนี้หาทางทำหลบเลี่ยงได้อะไรต่างแล้วกลายเป็นคําภูมิใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็แย่ออวันนี้ทํานี้แล้วไม่โดนตํำรวจจับด้วยวะออนี่ น, ะ น, นี่แหละสารนิจจะลายนะใะ่อะไรเรื่องฮนะบางทีคนพิการเดินมาเนี่ยเราไปแซวว่าประเทศนี้พังเพราะความแซวนะ <c oughs> คนงงพิการเดินมาแล้วก็ เ, เรียกเขาพิการคนศีรษะคนหน้าหน้าเยอ ะ, ห น, ยอะหน้าเยอะกว่าผมแล้วก็ไปแซวเขาศีรษะอะไรเงี้ยนะ ผมว่าหลักสังคมนี้เราดูถูกคนที่อยกว่าได้กว่าผมไลยมองว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่ให้ไม่มีความเท่าเทียมอ่ะทําไมคนเราเกิดมาในประเทศเนี้ยทําไมต้องมาอยู่ในประเทศนี้ด้วยนะอย่างไรอย่างไรถ้าคุณเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วคุณก็ต้องรักหมู่บ้านนั้นแล้วคุณต้องเป็นคนของหมู่บ้านนั้นทําไมอ่ะซึ่งเราอาจจะออกจากหมู่บ้านนั้นไปอยู่จังหวัดนึงก็ได้ก็ได้ทําไมเราไม่ไม่ไปหาที่ที่มันเหมาะกับเราอ่ะทำไมอ่ะ อย่างช่ผมเกิดเกิดไปในศาสนาคริสต์สมมุตินะครับทำไมผมต้องเชื่อพ่อแม่ผมและเป็นคริสอ่ะมันเหมือนกินอาหารเน่ยเรากินแต่แซนด์วิชเนี่ยเราไม่เคยกินปลาล่าเนี่ยมันก็จะจะบอกว่าเราอยากรู้ใช่ว่าอันอื่นอานจะอร่อยกว่าก็ได้ไงออนั้นใจผมก็กลายเป็นนักประจนไพร์ละค่ะมองคิดว่าเอ๊ะมนุษย์โลกเนี้ยก็เพราะว่ารักชาติกันมากมเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยเกลียดกันแล้วเป็นที่มาของสงครามพรผมอ่านประวัติศาสตร์เยอะมากเลย คุณท้ายสงครามเกิดจากตาแกสองคนทะเลาะ ก, กันทำไมไม่เอาสองคนนี้มาชกกันเนาะแล้วตาแก่ไม่เคยเจอกันเลยให้เด็กๆไปเออเด็กไปตา ย, ตายเพื่ออะไรอกว่าเอ๊มันไม่ใช่อ่ะวิธีคิดแบบนี้เนาะออพอพออาจารย์คิดอย่างนี้แล้วอาจารย์อยากให้มันเกิดเป็นรูปประทําไงฮะก็อเผอิญไปดูหนังน่ะครับหนังสมัยก่อนคุณต้าคินเต้เป็นคนดําจากแอฟริกันนะถูกจับไปเป็นทาสในเมกาอิติอุ่นเด็กอย่างเงี้ยจำได้ไหมจำได้จำไรูทรูทใช่รูทใช่ก็เลยคิดว่าถ้า ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนเนี่ยจากไหหลำเนี่ยครับยังมาตั้งตัวเมืองไทยได้เลยทำไมปู่ไม่ไปอยู่ไหหลำอ่ะใช่มากลายเป็นลูกหลานอยู่นี่หมดเลยงั้นวลพัฒน์ต้องไปเมกาอ้ใช่แล้ววลพัฒน์จะไปยังไงครับทีนี้แหละคือปัญหาเพราะนั้นวลพัฒน์ต้องไปเมกาโอ้ใช่แล้ววลพัฒน์จะไปยังไงครับทีนี้แหละคือปัญหา ถ้าสมมติคือเราเป็นพลเมืองโลกมาสิเด็กชายวรพัทเมืองโลกเด็กชายวรพัทคิดว่าสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยไม่เหมาะกับวรพัทอยากจะไปลองประเทศอื่นดูเหมือนเหมือนสู่ที่อยากหลับมาเมืองไทยผมก็เดินไปบอกแม่และพี่น้องเลยว่าอ่ารถยนต์ซื้อมาแล้วพังก็หายไปถูกไหมใช่ฉะนั้นขอเงินสักก้อนหนึ่งสามสี่แสนนะขอแค่นั้นแหละไปอเมริการับมรดกพ่อแม่คือจะหลังพ่อแม่มีตังค์แล้วจะไม่เอาเลยอขอแลกกับชีวิตเนี้ย ขอไปเสื่อผืนหมอนใบที่อเมริกาตอนนั้นอาจารย์เรยนเท่าไหร่ฮะตอนนั้นประมาณครับปีสองปีสามเนี่ยอย่ที่จุฬานะปีสองครับแล้วสิบแปดประมาณนั้นคิดได้แล้วคิได้แล้วต้องไปแล้วอยู่ประเทศนี้ถ้าทางไปตอนนั้คุณอาจารย์เรียนอะไรครับเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาวิทยาศาสตร์เคมีเทคนิคครับครับอาจารย์นี่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่ในใจก็ชอบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครัเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเนี่ยอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงจริงจแล้วอยาก เกี่ยวกับประมงเกี่ยวกับสัตว์นะฮะชอบสัตว์มากกว่าอืชอบธรรมชาติชอบสัตว์ใครคืออคนในดวงใจท่านตอนนั้นเหรอจาร์ครูสโตอ๋อคนคนทำสารคดีเกี่ยวกับดำน้ําถูกต้องเรือคาริปโซอาเรือคาริโซเป็นคนแรกที่ดัดแปลงอุปกรณ์ดําน้าจนนักดําน้าใช้กันทุกวันนี้ครับสกูบาใช่แล้วคิดระบบสในฝันเลยจาร์ครูสโตเรือคาริปโซแล้วไงฮะ สุดท้ายคุณแม่ก็เลยตัดสินใจขายเึกแถวให้เพื่อส่งเด็กชายไปเรียนเราพัฒน์ใหพี่น้องก็คงต้องมองหน้านิดนึงอ่นะแต่ก็ผมก็บอกไปนะเดี๋ยวไปปักหลักยึดหาดให้แล้วเดี๋ยวไปหลังตามมาเออแล้วมีอะไรอยู่ที่นู่นมีเครือข่ายอะไรยังไงไหมก็มีน้าไปไปจนไทยอยู่ก่อนคนนึง่งครับตามสูตรป่ะฮะเปิดร้านอาหารไทยเขาเป็นเภสัชกรอก็ ดูดีมีชาติกูนหน่อยค่ไครับแล้วเขาจะเลี้ยงดูเราได้ปรากฏเราไม่ได้เลยทำไมฮะห่างกันเป็นโยศเลยฮะห่างกันเดินทางหลายสิชั่วโมงเลยเอาไปอยู่คนละที่กันเลยครับน้าอยู่นิวยอร์กผมอยู่โอไฮโอไกลมากแล้วผมตั้งใจไปเมืองที่ไม่มีคนไทยนะเกําลังจะถามพอดีอาจารย์เลือกโอไฮโอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจอคนไทยแล้วเราจะไม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของของพวกเขาแล้วก็เราก็จะ อะไรอ่ะภาษาอังกฤษก็จะแย่ออค่านะครับถ้าไปอย่างนั้เรามีโอกาสได้พูดครับไปถึงอาจารย์ไปเรียนอะไรครับคือผมดูไอทผิดนะนะคือถือวีซ่านักเรียนใช่ไหมตีคือสมัครมหาอะไรไหนก็ได้มาหาวิทยาลัยไหนก็ได้เนี่ยที่เป็นผิดนะนะเราพอได้คือจุฬานี่กดเกรดนักศึกษาไว้เยอะผมสองจุดหกเนี่ยนะแล้วก็เลยเราเลยจะต้องไปได้มหาอะไรมาเนี่ยขอบคุณที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะเราไม่ต้องใช้อนั่นแหละครับเราโดนจริงจรเราเรียนดี เราเรียนดีแต่ว่าครูเขาไม่ให้เขาให้ซีเป็นหลักแต้อยุติลาผมไม่ตั้งใจเรียนสิผมชอบคบคนทีนี้พอพอได้มหาลัยแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวิศวะโลหาการระคืออะไรคก็เลยไปเรียนโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปถามอาจารย์ที่คณะคืออะไรอาจารย์เขาก็บอกไปก็รู้เองอ่ะจริงของเขา <c oughs> จริงของเขา <c oughs> อาจารย์ไปนี่คือไปไปต่อไปไปเรียนตรี คือคืนื่องจากมันเปลี่ยนสาขาไงจากเคมีเทคนิคมาเป็นวิศวะโลหะเนี่ยฝั่งกลางวันต้องมีเรียนปัญญาตรีเรียนแบบพิลิกสิทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าเรียนล่วงหน้านะแปลว่ามีกลางคืนด้วยต้องคืนเรียนโทอ๋อคือไปเก็บวิชาวข้างล่างที่เป็นวิชาพริลิขสิทธิ์วิชาเบื้องต้นวิชาเนี่ยเพื่อให้ครบเพื่อให้ครบครับอย่าเรียนโทรู้เรื่องอย่งก็เรียนซ้อนกันสตัวเลยนนแต่คดีนะได้คุยกับนักศึกษาเด็กๆคือจริงๆไงในลึกๆใจกับ ความที่ใหญ่จะเป็นซิติเซนเมริกาของคอมโ่างี้ผู้หญิงอเมริกันรักหไงก็เป็นซิติเซนเลยอ่ะครับไปเป็นพลเมืองเขาเลยก็ต้องเหมือนปู่ไงต้องได้ย่าคนไทยไงโอ้กลับไปมีเียฝรั่งเลยอเมริกาเลยไม่รู้ภรรยาดูจะมีปัญหาไหมเนี่ยอันนี้ อเผื่อภรรยาดูอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าแผนนี้ล้มเหลวนะครับปัจจุบันนี้มีภรรยาเป็นคนไทยถ่ายแล้วไม่ขอเป็นซีดีเซนเลยไม่เอาตอนนู้นก่อนอะตอนนู้นก็ตั้งใจว่าผู้หญิงเมกันมีเท่านี้ล้านคนนะครับต้องมีสักคนหนึ่งอะหนึ่งในล้านที่เป็นของเราที่จะโชครดีคือถ้าแต่งงานมันจะได้อัตโนมัติเหลอได้ครัจะได้อแล้วเป็นไงครับไปถึงนู่นก็ได้เห็นภาพสุนัขคีว่าเจอสุนัขออสเตรเลียนนะ หมายความว่าเราตัวเล็กคนละตัวเล็กนี่ เ, เนียแหมตัวเป็นเลิศเลยกองหวังดับวูบเป็นเียร์เครื่อบินลงเลทําไมเราตัวเล็กกว่าเยอะขนาดนั้นนะไปไม่รอดแนๆๆ <comprend> s> <S ่ก็เลยได้มุ่งมั่นเรียนหนังสือเรียนหนังสือขยันเก็เหลือทางเดียวที่อยู่ได้เลยคือขยันทํางานาไปด้วยไหมฮะอาจารย์เพื่อนโชคดีฮะเรียนเทอมแรกแล้วปรากฏว่าเก่งนะจริงไม่เก่งหรอกคือ สาราการในเมืองไทยเนี่ยเรียนหนังสือเยอะสยามสุขแพหรือยะไรพวกนี้มันหลอกล่อเราให้ไปเที่ยวเยอะเพื่อนหนงสือเยอะแต่พออยู่อเมริกาเมืองเงาเงาไม่มีคนไทยสักเท่าไรหร่เล้วก็ทุ่มไปแต่และก็ร่างทุ่มหนังสือแล้วเด็กอ่านหนังสือเก่งอย่างเราเนี่ยพอตัด อ, อกตัดใจมามีสมาธิดูหนังสือเนี่ยมันก็แค่ประมาณท็อปได้เต็มเท่านั้นเองอะ่ะได้มากผมนั้นไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วมันเต็มแล้ว <laughs> อเอรวดอะไรเงี้ ย, ยแล้วคนเรียนก็ไม่เก่งด้วยก็รอบขางต้องขอบคุณระบบตัดเกรดไงทําให้คนโง่เรียนรวมกันแล้วมี A จนได้ คือทั้งโง่มาอยู <im <im ่ร่วมกันเราฉลาดกว่าม mm. um> ันแค่นิดเดียวนิดเดียวก็เอแล้วเป็นวิธีคิดที่ดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคือไม่ใช่ว่าเราเป็นเทพเก่งมากไม่ใช่ฉลาดกว่ามันนิดเดียวเดียวก็เอแล้วขอบขอบคุณเพื่อนทุกคนแล้วอาจารย์เรียนสองตัวเนี่ยคือตรีและโทพร้อมกันแล้วอาจารย์ทํางานด้วยป่ะฮะก็ได้เงินนะฮะก็ได้เป็นค่าผู้ช่วยสอนอเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนในห้องแแบบเลยสอนฝรั่งสะใจมากได้สอนชาติมหาอำนาจ ปรากฏว่าครึง่งนึงเป็นแข่อินเดียกับจีนอ่าแต่ก็อินเดียจีนไปเรียนเยอะเก่งเน่ยแล้วตกลงเป็นไงฮะไปเรียนโลหะโลหะการไปทําเรื่องเหล็กดำกระดูกเหล็กดำในกระดูกทั้งนั้นกันแพทย์เอิญเรียนวิทยาศาสตร์จุฬามานะก็จะเข้าใจชีวะด้วยเข้าใจาทางวิศวะด้วยครับซึ่งมันส่งผลให้ตอนลังเข้าไปทํางานในนาซาได้เพราะเขาต้องการคนแบบผมนี่ยว่าหามาสามปีหาไม่เจอแบบ เขาเรียกอะไรบินก็ได้ว่ายน้ําก็ได้ชายอาจับชายอ่ะรู้วิศวะด้วยรู้ชีวะด้วยรู้คอมพิวเตอร์ด้วยหลาหลายอย่างในตัวคนเดียวกันเนี่ยนาซาเป็นยังไงในนาซายังไงเขาเผลอฟุกฮะเขาไม่มีคนฮะเขาหาคนอย่างนี้มาสามปีก็เลยได้เขามาหาในมหาวิทยาลัยเองหรือว่าไงฮะเผลอที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาเป็นแขกอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะถูกฝรั่งดูถูกเยอะในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าเรามิสัยคนไทยนะมือไม้อ่อนหวานเนี่ยนะคนไหว่นะเราก็ไปเจาะแจ๊คครูเนี่ยเพราะในเมืองนอกนี้การเล c o m m e n มในหรือการแนะนำเข้านี่สำคัญมากแล้วผมไม่รู้ว่าอาจารย์ผมดรอามิดคนนี้เนี่ยเขาก็มีเพื่อนในนาซาเยอะแยะเลยเขาเขากาแนะนำกันเข้าไปไม่ได้เก่งเลยนะเนี่ย คืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขียนเลขาเมนให้ดีคนนี้ตอนเอาไปเก่งอือกราจกประแจดีเอ้ไม่เห็นเลยาเลยเป็นคนทีข้าวเรียบร้อยอ่ะขยันขยันขยันเแนะนําเข้าเลยอาจารย์เล่าเรื่องนาซาให้เราฟังหมือนมันคืออะไรก่อนะเป็นไรที่ผมยันจะลืมเลยนะอา้าวโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนาซานี่ต้องภูมิใจมากเลยนะอาจารย์มันเป็นองค์กรที่ใช้งบของรัฐบาลเพื่อทํางานวิทยาศาสตร์ ด้านรรากาศหรือใช่ใช่เพื่อความสุขสงบของมวลมนุษยชาติโลกใบนี้เนี่ยประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะน้ำกาลังจะหมดใช่ไหมฮะทรัพยากรกาลังจะหมดในอนาคตเราอาจจะต้องหนีจากโลกนี้ไปที่อื่นแล้วอ่ะนั่นแหะโปรเจกต์มันก็ต้องเป็นแบบนั้นอันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยว่านาซาก็พยายามที่จะเริ่มค่อยๆเรียนรู้ว่าจะไปอย่างไร ไปขุดแร่ันดวงจันทร์บ้างหรือว่าไปหาพลังงานในดวงดาวอื่นอนะไรประมาณนี้นะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมครับงบประมาณเยอะอยู่ในหลายทุ่มสิบเอ็ดแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาอแล้วก็<ๆ>เขาก็ไม่ได้มีนักวิทยาศาสต ร, ร์ประจํานะอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าคอนแทคเตอร์หมายความว่าเซ็นสัญญาห้าปีของเจ็ดปีคเจ็ดปีทํางานให้เขาชิ้นหนึ่งแลกกับต้องจบปริญญาเอกสาขานี้ให้เขา แ้าก็เรื่องมหาที่ไรมาให้ว่าให้เรียนที่แฟลนสเตทก็ต้องมปอยู่ตรงนี้อ๋อมาถึงอาจารย์จบโทแล้วโอเคครถ้าเข้านาซาก็คือได้เรียนปริญญาเอกด้วยแล้มาทำงานปีจะเปลี่ยนสาขาอีกแล้วไปอะไรล่ะฮะไปเป็นเซรามิกผสมเครื่องกลเดี๋ยวเมื่อกี้เหล็กเกี้เหล็กอันนี้ไปเซรามิกกับเครื่องกลก่อนอาจารย์เข้านาซาอยู่เท่าไหร่ครับก็ปกติยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยแล้วแล้วนักวิทยาศาสตร์ในนาซาส่วนใหญ่เขาอายุเท่าไหร่กันก็ นายผมส่นใหญ่ก็สี่สิบห้าสิบประมาณนั้นนะลุงลุงเท่นั้นอ่ะอย่างอย่างที่อาจารย์ไปทํางานนี้มันเป็นไผมผมจินตนาการไม่ออกเป็นตึกใหญ่ๆเหมือนออฟฟิศหรือเป็นยังไงฮะที่อเมริกานี่มันจะต้นไม้เยอะนะก็ตึกเหมือนธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้นะถ้าถ้าคิดพื้นที่ประมาณจุฬามอะไรจุฬาได้ที่ผมอยู่นะที่โอไฮโอสาขาโอไฮโอเนี่ยประมาณประมาณจุฬาแต่ตึกหลายหลายติมแต่เข้าได้ไม่ทุกตึกนะเพราะว่าเป็นความลับครับจะต้องมีเซ็กเคาเรนเข้าได้เฉพาะตึกนี้ตึกนี้เท่านั้น ครับเคยหลงไปตึกหนึ่งแลวหมอมาเลยโวําอ้โหตำรวจมาอำไรปิเติมปิดเติมแล้วเข้าไปายุยี่สานเนี่ยถือว่าอายุน้อยกว่าคนอื่นเยอะไหมฮะไม่นะฝรั่งเขาไม่ได้มองเรื่องอายุนะมีพวกอัจฉริยะอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็มีนะก็มีด้วยทิ่การเยอะมากเลยอืมประเทศเขาจะเปิดกว้างทั้งพวกนี้เขาไม่สนใจเรื่องอะไรเขาสนใจสมองสนใจงานผลงานจิตใจอะไรเงี้ยมากกว่า ครับต้องต้องเรู้ม oh ีคนไทยสองคนใมีดรอาจปุอาจาร์อาจองค์คนเดนเซียเยอะนะครับวอาจารย์เจอคนไทยคนอื่นไหมที่ทั el> ้งในที่ได้มีเจ็ดคนมีบ้านเจ็ดคนเจ็ดที่โอไฮโอที่ที่ของผมเองเจ็ดคนมีจบสถาปัตย์อย่างนี้ได้ก็มีอนะครับก็มีวิศวะสองสมคนตอนอาจารย์เข้าเนี่ยอาจารย์บอกเซ็นสัญญาเจ็ดปีมีคล้ายคมีหัวข้อที่ชัดเจนครับต้องทำเคอบเซรามิกเซรามิกเคลือบ ใบพัดไอพน่นเห็นไหมไอพน่นข้างในข้างในมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมหถ้าเกิดเราเราเอาเซรามิกเคลือบมันได้เนี่ยเครื่องมันจะบินได้ครื่อบินรบะจะไวขึ้นไวขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นใช้น้ำมันอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเครือ่องบินรบเหมืนกนก็คือไม่ได้ดูเฉพาะพวกยานอวกาศคือนาซาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนอากาศกับส่วนอวกาศครับ ไปนั่งเป็นแบบนั้นไม่อย่างผู้ขึ้นบินทดลองอะไรก็เกี่ยวข้องกับนาซาด้วยใเครื่องบินด้วยสรุปเดปีนี้ไปเครือบใบพัดเครื่องยนต์เจ็ก็มีงานอื่นประสมผสมมาด้วยเพราะที่นาซาจะทํางานเป็นโปรเจกต์สามคนนี้เราชอบทําเรื่องนี้จับจับมือกันเซ็นสัญญาทําวันนี้ครับคบกับคนนน้นจับยิ่งจับชายแบบนี้ก็จะอ๋ออาจารย์อยู่ในอยู่ในหลายโครงการอย่างเงี้ยอยู่ในหลายโครงการแต่โครงการนี้จะได้ปริญญาเอกไอ้อันโน้นไปช่วยเฉยเแล้วแล้วเราเลือกหัวข้อเองได้ไหมครั หรือว่าเขาเป็นคนําหนดอ้าวกรรมการก็จะดูว่าเราขีดความสามารถสมควรทําเรื่องนี้ไหมแล้วหัวข้อหนึ่งนี้ทําทํากันหลายคนนะไม่ําแข่งกันเลยนะแต่เราเป็นคนชงหัวข้อเองใช่หรือเขาก็ชงมาก็มีแต่เราแตะใช่เห็นบอกมีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลครับไอ้เจ้าเซรามิกเคลือบเครื่องบินในเอไปพัดเครื่องบินเนี่ยนะได้รางวัลที่หนึ่งมันมันมันเป็นยังไงะอาจารยช่วยเล่านิดหนึ่งคือธรรมดาเซรามิกเนี่ย ถ้าไปเคลือบในบนเหล็กร้อนๆในไอพ่นนะ 3,500 องศาเนี่ยนะเซรามิกมันกระเด็นหลุดหมดเลยใช่ฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้เซรามิกล้วนๆไม่ใช้เหล็กเลยเนี่ยชนกันหรือกระแทกกะแตกอีกมันมันใช่เพราะนั้นทายังไงจะเซรามิกไปเคลือบบนเหล็กได้นเสียงภาพโลหะอย่างเงี้ยนะเรเซรามิกไปเคลือบเซรามิกก็เหมือนช่วยกาแฟเงี้ยื้องอย่างเงี้ยใช่มันหลุดหมดอ่ะสุท้ายก็ต้องใช้เซรามิกที่เป็นเซรามิกอุตสาหกรรมนึ่งเซรามิกขั้นสูงเลยพวกซอรโคเนียมเลยพวกนั้นโต เห็นยานเชลเลนเจอร์ไม่เป็นสีดำกับสีขาวอะตรงจมูกเนี่ยก็พวกตัวหนึ่งในโอเบียมถ้าเป็นถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นพวกเซอร์โคเนียมยิเทรียมอะไรพวกนั้นชื่อจะแปลกๆนะไอ้ตคอาเป็นงั้นะไม่รู้เรื่องเลยฮะเออพวกเซรามิกนี่มันที่เราทานทานกาแฟมันเป็นอลูมิเนทีนี้เคลือบเป็นไงจะให้มันไม่หลุดครับตําลังก็พบว่าลึกถึงแซนด์วิชอะทำไมเราไม่รองพื้นก่อนหาอะไรสักอย่างตัวกลางใช่ไหมนั้นเองง่าย อ๋อนี่คืองานวิจัยที่ประสบความสําเร็จป่านนี้สร้างไปยังฮะก็ขายลิขสิทธิ์ไปนาซาขายลิขสิทธิ์ไปแล้วอ่ปุ่นไปแล้วอาจจะสร้างแล้วก็ได้ไม่มันไมมีแล้วมัก็ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็ขอเห็นในบ้างครับเวลาบอกว่าทํางานกับนาซาคําถามยอดนิยมที่อาจารย์เจอคืออะไรครับ UFO เวลาบอกว่าทํางานกับนาซาคําถามยอดนิยมที่อาจารย์เจอคืออะไรครับ UFO UFO มีจริงไหมอะไรประมาณนั้นคนชอบถามแล้วเป็นไงแล้มีจริงไหมครับคือมีไม่มีเนี่ยนะก็ต้องให้มันมีอะนะเพราะว่ามันจะได้ยิงงบประมาณเข้ามาไอ้มีไม่มีไม่รู้แต่มันควรจะมีเล่นแต่มันต้องให้มีใช่ไหมแต่ควรจะมีควรจะมีนะมันควรจะต้องมีนะผมว่าเพราะมันจะได้มีการวิเคราะห์วิจัยเราจะได้มีเงินใช้ เรื่องวันนี้เป็นไกลตัวผมนะผมก็มีวันหนึ่งผมก็นั่งทํางานนาซ่านะครับแล้วมีโครงการนี้ฮรไปสํารวจถึงสุดขอบจักรวาลเปนไกลแค่ไหนฮชไอ้กล้องคัมเบอรเนี่ยมันก็บอกว่าสี่ร้อยห้าสิบล้านปีแสงจากโลกไปจากโลกไปเนี่ยขอบจักรวาลน่ะแล้วถ้าจะข้ามจริงๆต้องก้าวร้อยล้านปีแสงปีแสงนะอแสงเดินทางหนึ่งปีโอ้โหคิดเป็นไม่ร้อยล้านปีวินาทีเนี่ยเงหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันไมครอนประมาณเนี้ยนะเรนน่าคิดว่า เลยนั่งคิดนะสมมุติแล้ว่าตอนเนี้ยเราเป็นนั่งงานขอบจากอวานสมมติไปได้เออไปได้แล้วรจถามตัวเองว่านั่งไงโซวัดไปได้อะไรไปทำอะไรไปทำสร้างอะไรไปทําไรอะทำพื้นทำพื้นไปทําไมอ่ะก็เลยกลับมาอีกไปเลยก็เลยมานั่งคิดคนว่าถ้าเอิมีวันหนึ่งก็หิมะมันตกับออกนอกเมืองไม่ได้ก็ไปติดทางอยู่บ้านเพื่อนอ่านหนังสือหลวงปู่ฟั้นของการไฟฟ้า ถ้าฝ่ายผลิตก็ทำหนังสือมุขครูบาอาจารย์นะฮะนั่งอ่านขอมุูฟันแล้วผมปิ๊งเลยนะผมเป็นคริสนะอย่าลืมนะผมอ่านผมอ่านจะเป็นคริสด้วยใช่ผอ่านทั้งมุดแล้วมันคล้ายๆกับอะไรปิ้งขึ้นมาว่าใช่เลยเนี่ยชีวิตพระธูดงเนี่ยโหมัน is my life อะฉันไม่ได้อยากจะไปสุดจักรวาลถูกต้องฉันเจอแล้วว่าฉันอยากทําอะไรใช่จริงๆแล้วอยากไปข้างในหนึ่งเซนติเมตรกลางอกเราเนี่ยเข้าไปหาเลยข้างในใจเราตรงนี้มากกว่านะจะไปทําไมอ่ะ นี่เปลี่ยนเลยนะคนละด้านคนละเรื่องคนละเริ่มคิดเลยเนาะเกิดมาทําไมเนี่ยนี่คือคําถามที่ผมถามเกิดมาทํำไมเกิดมาทําอะไรเกิดมาเพื่ออะไรจะทำประโยชน์อะไรกินกินกินแล้วก็ตายเงี้ยหร อ, อตายแล้วไปไหนแล้วก็สงสัยเนยาะศาสนาที่เขาเอาหนังสือให้เราอ่านเนี่ยศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยใครเขียนเนี่ยอืมัอมวอเนี่ย ไม่ได้ไหวเลยก็เริ่มคิดหมดเลยนะลอคิดดูนะอาารอาจารย์นี่อยู่ในฐานะซึ่งน่าจะพูดได้ค่อนข้างมากเลยนะว่าเกิดมาแล้วได้ทําอะไรที่มีประโยชน์เช่นอย่างโครงการวิจัยก็ก็ประสบความสําเร็จได้ทํางานในโครงการในองค์กรซึ่งผมว่าก็เป็นความฝันของหลายหลายคนอาจารย์ก็ยังคิดอย่างนั้นเลยฮะออืผมเดาว่าจสิ่งที่อาจารย์ส่งทําเป็นประโยชน์ทางโลกไม่ผมคือ นักวิทยาศาสตร์ในฝันผมชื่อโทมัสอัลวาเอดิสันนะที่ทำห<อ>ลอดไฟ ท, ทำใ<ห>นพวกเนี้ยนะก็<อ>ผมไปเรียนโอไฮโอเนี่ยผมก็ดีใจมากเลยแค่ไปอยู่บ้านเกิดของโทมัสอัลวาเอดิสันแล้ววันหนึ่งโทมัสอัลวาเอดิสันผมก็ไปดูวิดีโอของนาซาเนี่ยเขาก็จะโทมัสอัลวาเอดิสันก่อนตายนะพูดป่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่ผลิตอะไรให้พวกเราใช้เลยทำไมผมไม่เคยได้ยินอันนี้ในหนังสือเรียนมาก่อน นั่นไงสิเราเรียนเนี่นัดก็เรียนน้องก็คงเรียนอโธิบาวัยดีเราก็รู้แต่ภาคภาคประดิษฐ์ภาคลํารวยใช่ไหภาคอ่ะการศึกษาไทยมันเป็นการภาคอะไรด้วยถ้าไทยมันเป็นอะไรประเภทแบบผู้ใหญ่ในโลกนี้เขาอยากให้เรารู้แค่เนี้ยอย่างโง่รู้เรื่องวันนี้เลยปอนปอนมาใครคใช่การศึกษาไทยมันล้มเหลวนะรู้แค่เนี้ยแต่เมืองนอกนี่มันเซิร์ชได้ค้นได้ตกลงอดิศานพูดว่าถ้าฉันเลื่อยได้ใช่จะไม่ผลิตอะไรให้เลยเพราะเพราะจิตใจมนุษย์ ยังไม่ดีพอที่จะอยู่กับเทคโนโลยีพวกนี้อเออเจ็บไหะเจ็บแล้วแล้วผมว่าจริงของเขาด้วยแหละใจเราไม่ดีพอเราเลยทําลายล้างด้วยเทคโนโลยีทําลายล้างเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์และชาติอื่นเผ่าพันธุ์ต่อตลอดตัดเสร์ตก็ดูรอบตัวเลยพอเทคโนโลยีสูงมากเลยเราแทบจะเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนทีวีกันทุกหกเดือนเลยเนี่ยผลคือแม่ธรณีถูกทําลายทุกวัน ราภาพทิ้งใช่พยา อ, <จะ S 1> อะไรเนี่ยเราก็ตกเป็นเหยืออ่อของตัวเองเอพรออาะเราหาตัวเราเองไม่เจอไงเราเอาวัตถุมาทําให้เรามีความสุขที่จริงรเราไม่ใช่ถ้าค้นพบข้างในนะตัวความสุขข้างในมันคือความว่างความโล่งอะไรอ่างเงี้ยแล้วหลังจากอาจารย์อ่านหนังสืออาจารย์ฟันแล้วอาจารย์ทําไงต่อนะคือผมเป็นคนชอบวางแผนอนาคตนะคผมก็เริ่มสำรวจว่าถ้าผมแก่ตัวลงในอเมริกาเนี่ยจุดจบของคนแก่ในอเมริกาคืออะไรสำรวจเลยฮะแน่นอนโดยการ ไปตามโรงพยาบาลไปดูคนแก่ตามโรงพาบาลชีวิตของคนเมกันแกแล้วเป็นยังไงโดนทิ้งหมดเลยเป็นง่อยๆอยู่คนเดียวลูกหลานไปลูกหลานเพราะสังคมเขาไม่ได้ดูแลพ่อแม่มากมายต่างคนต่างโตต่างคนต่างหรือเพศใหญ่มอกเพศใหญ่ร่มเลจะมาหากันเฉพาะวันแตงสกิฟฟิงหรือวันคริสต์มาสเท่านั้นเองมีวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ไหมครับว่าเราควรจะทําอะไรต่อหลังจากที่คิดอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากเป็นวิศวะนะ ผมก็วางเขียนตารางแมทริกซ์เรียกว่าตารางตัดสินใจอ่ะตารางตัดสินใจอะผมเอาให้ดูอ่ามีคนทําให้ด้วยจําลองจําลองมาอันนี้จำลองมาฮะมีใครทําให้เนี่ยนี่คือเนื้อหาที่อาจารย์ทําจริงๆประมาณประมาณนนั้ประมาณนี้อันนี้คือช้อยสื่อทางเลือกเรามีสี่ทางทั้งบนนี้ทางเลือกสี่ทางว่าจะไปยังไงไปยังไงแล้วสี่ทางนั้นในแนวนอนนี้ถามตัวเองว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรโอ้นี่คือความต้องการหลักใช่เช่นดูแลพ่อแม่ สองได้เป็นพลเมืองที่ดีอ่าแล้วเป็นศักดิ์ศรีในประเทศนั้นเป็นพลเมืองเหมือนกับว่าเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งเออนองนั้นนะคือยังไงอาจารย์จะเก่งไงก็ยังไม่ใช่พลเมืองชั้นหนึ่งไม่ใช่อเมริกันใช่เพราะท้ายพบว่าคนไทยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสามอ่ะหนักกว่าสองนีกเหหนักกว่าคนดําอีกคนดำยังสองใช่สมัยผมเนี่ยสมัยนี้อาจจะไม่รู้นะแล้วก็มาเที่ยวคนชอบเที่ยว หมายถึงว่าเมืองนั้นหรือที่ที่ไปก็ได้ไปทั่วโลกเลยได้ไปนู่นไปนี่ใครมีเวลาได้เที่ยวมากกว่าอาจารมีเงินมีอะไรนะครับสุดท้ายผมเป็นคนชอบกินเป็นข้อหนึงสําคัญเลยนะะเอาของอยู่เมกาชะรู้แล้วว่าไม่มีอะไรอร่อยเลยคนไทยนี่แน่นอนแล้วอาจารย์จะใช้ไงฮะให้คะแนนจากสี่ข้อได้เช่นอ่าธิรักษ์เอาจารย์ลองไล่ทางเลือกบ้างคราวนี้อาจารย์มีทางเลือกอะไรบ้างฮะจะมีสี่ใช่ไหมหนึ่งไปทํางานต่อยังทํางานที่เดิมที่ง่ายๆนะเอาง่ายๆนะสมมติว่าจะ อยู่ที่ไหนเนี่ยดูแลพ่อแม่ได้ดีกว่ากันะครับทํางานนาซาไม่ได้ปีนึงเจอพ่อแม่ครั้งหนึ่งอ่ะคะแนนเดียวเอ้าเต็มสิใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เต็มสิบอันนีว่าเต็มสิบนะถ้าย้ายไปอยู่วัตถุเครื่องบินอย่างอยู่จีเอนอตทร็อปโบอ่างก็ซีแอตเทก็ย้ายมอปเฉยคือเข้าเอกชนไปเลยใช่ก็อาจจะดูแลได้ประมาณสองแต้มครับดูแลไม่เริ่มน่ะนิดหนึ่งไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยเวลาวันคริสต์มาสหรือวันแตนซีฟิวันหยุดใหญ่เนี่ยคนไทยเขาเรียกว่ากะเหล แล้วอยู่เฝ้าห้องแอบนะเพราะเขาหลังมันจะกลับไปหาครอบครัวเขาเถียงเก่งกว่าเราเขาก็จะยื่นใบาลาอะไรไปก่อนเราแล้วแล้วนายนนต้องเฝ้าบริษัทคนเราก็แคน่ารักรับผิดชอบเขาบอกข้าประเทศอยูไม่มีคริสต์มาสไม่ใช่หรอ <l ots> ใช่เนี่ยคำเนี่ย <l ots> เจ็บมากเลยเราเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็หลังกลับบ้านหรือเฝ้าบริษัทบไปลาสงกรานต์ไม่ได้นะย้ายไปอังกฤษก็น่าจะดีขึ้นอันนี้ใช้นี้มาจากไหน่ ก็ผงไปตักใครเขียนให้ผมเป็นรูปประมาณเนี้ยขอไปบิบกายประเทศขยายประเทศก็อาจจะสามแต้มต้องเรียนอาจารย์ว่าคนดูต่อดใจเนี่ยดูทั่วโลกได้นะฮะใช่เพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วดูตอนนี้อยู่เนี่ยทำไมครับอาจจะลองนึกดูดูบ้างคุณแทนพ่อแม่คุณลี่ยังไปอยู่เมืองนอกอันนี้คืออาจารย์เป็นตัวแทนคนหนึ่งเอาอาจารกลับเมืองไทยแล้วเต็มสิบแล้ว แปดเอาแปดนะอีกสองภรรยาจะแย่งไปเพราะว่าชายไทยต้องดูแลแม่ยายเป็นหลักอ๋อเงียบล้วไอเราลืมคิดอ๋อพลเมืองเป็นพลเมืองมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าอะไรนะอันนี้ก็มาทักสี่แต้มเพราะอยู่ในนาซาเนี่ยออกมาข้างนอกนี่เราค่อนข้างคนยอมรับนะอ่าครับถือว่าเท่ถือว่าเท่มากอันนี้อาจจะต้ไปอยู่บนเครื่องบินลดลงมาหน่อยค่ากินเงินเดือนอ่า ยายไปอยู่เนี่ยยายไปอยู่อังกฤษก็ดูฟุตบอลมันอย่างเดียวสองกับเมืองไทยก็น่าจะประมาณเท่าแกแต้มมันทําไมน้อยอาจารย์มันไม่สิบนี่คนไทยกลับมาอยู่เมืองไทยยังเพราะเออในประเทศนี้ได้แค่นี้ก็เก่งละเออเออลืมไปเข้าใจไหมครับครับปรากฏว่าเที่ยวเนี่อยู่นาซาไม่ได้เที่ยวหรอกเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วงานมันสนุกมันจะเพลินมันทํางานเยอะกว่าทำงานเยอะกว่ามันมันมุ่นสนุกมาก ครับไปบริษัทเครื่องบินยิ่งไม่ได้ไปใหญ่เลยใช่ไหมย้ายไปกินไ <ป S 2> ้วไ อ, อนเที่ยวยุโรปได้เยอะผมชอบอ่าอยู่ใก ล, ลก้เข้ายุโรปวัฒนธรรมหลากหลายไมีการวัฒนธรรมเดียวครับไปอยู่อเมริกามันสู้อยู่ยุโรปผมว่าไม่ได้ยุโรปมันเก่าแก่มีามรากนี่ยไรกับเมืองไทยตอนนั้นผมผมกลับเห็นว่าได้เที่ยวน้อยเพราะผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับตอนนั้นตประเมินว่าเที่ยวได้น้อยเออแต้มหนึ่ง ตอนนั้นอาจารย์เขยังไม่รู้จักเมนูใช่ไม่รู้จักเลยอันซีนเหมายความว่าตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนใช่ไหมใช่ใช่ตอนั้นตอนนั้นสิ้นละครับของกินอร่อยอยู่นาซาค่ะทําเองทุกวันแล้วฝีมือตัวเองก็แต้มหนึ่งย้ายไปแถวนี้อ่ะอยู่เซาท์เทิลอยู่บอสตันนะก็สองแต้มดีกว่านี้อ่าอยู่อังกฤษก็อาหารอร่อยขึ้นยุโรปก็สี่แต้มไม่จริงไม่จริงเลยไมผมก็ไม่เคยไปอะแต่นั้นฝันเอา กีนไทยผมยังไม่เคยเจอไม่เคยไปแล้วเจออะไรอร่อยเลยรอถ้าเป็นอังกฤษอังกฤษอะไรอร่อยรู้ป่ะอาหารจีนกับอาหารไทยเปลี่ยนย่างเลยว่าจะตอบลำบากไหมตอบว่าอาหารจีนแขกน่าจะอร่อยที่สุดเมืองไทยสิบแปดนี่ของจริงอยู่นี่นี่ก็รวมคะแนนใช่ไหมโอ้โหนี่มันชัดเจนมากเลยนี่อาจารย์ขาดกระจุยเด็กที่จะเอ็นชามหเนี่ยเอาคณะต่างๆมาตั้งเนี่ย แล้วก็ชีวิตนี้ต้องการอะไรกับอาชีพนั้นก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ได้นี่รวแท้มานี่ก็ชนะถ้าขีดนเส้นใต้รวแท้มนะปขาดลอยเลยฝั่งนี้เยอะได้เลยครับอันนี้คือคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่เอาอารมณ์เพื่อตัดอารมณ์ออกและเมื่อคิดแล้วห้ามกลับไปดูอีกนะไม่ใช่ใจอยากอยู่นาซาแล้วทําเป็นฟปลอมๆเออประมาณผิดเลยปลอมๆแบบไปล้มเลยสมเด็จขาดเลย อ่านี่ชัดเจนวิธีคิดเหล่าคนน่าขอบคุณมากหลังจากมีข้อมูลความรู้แล้วก็สร้างทางเรื่องต่อชีวิตว่าจะไปทางไหนกลับเมืองไทยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของอาจารย์วรพัทยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าไปในรูปธรรมที่เป็นสิ่งที่มนุษย์อยากได้อยากเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมาจนถึงการค้นคว้ากลับเข้าไปภายในในจิตใจของตัวเองว่าเราควรจะมีวิธีคิดต่อชีวิตอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาชมครับว่าท่านค้นคว้าอะไรได้จากป่าช้า ครับมผมรับรองนะครับคราวหน้าครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ทั้งกับตัวท่านเองแล้วก็ทั้งในธุรกิจที่ท่านทําด้วยนะครับครอบครัวอาจารย์ากจนหรือยังไงครับตอนเด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่เคยรวยนะแต่พอพอผมเกิดมาได้สองขวบก็ด้วยบารามีผมล้มละ ล, ลายตั้งคู่เลย <c oughs> <c oughs> บารามีสูงมากชีวิตจนๆในโรงเรียนโซนี่มันลันทศนะยังไงฮะยังไงเอาเวลาของหายในห้องเนี่ยถระจ้าโทษใครอะ อ๋อก็เด็กจนนี่แหล ะ, อะวอรลรัดต้องไปอเมริกาแล้ววอร์ัพจะไปยังไงครับทีนี้แหละคือปัญหาเพลินเรียนวิทยาศาสตร์จุฬามานะก็จะเข้าใจชีวะด้วยเข้าใจทางวิศวะด้วยครับซึ่งมันส่งผลให้ตอนลังเข้าไปทำงานในนาซาได้เพราะเขาต้องการคนแบบผมเนี่ยาหามาสามปีหาไม่เจอเวลาบอกว่าทำงานกับนาซาคาถามยอดนิยมที่อาจารย์เจอคืออะไรครับ UFO ยุ้ยโกมีจริงไหมอะไรประมาณนั้นคนชอบถามแล้วเป็นไงแล้วเป็นจริงไหมครับคือมีไม่มีเนี่ยนะก็ต้องให้มันมีอ่นะเพราะว่ามันจะได้มีงบประมาณเข้ามาไงเนื่องจากเป็นวิศวะนะผมก็วางเขียนตารางแมทริกซ์เรียกว่าตารางตัดสินใจอ่ะอันนี้คือช้อยสือทางเลือกเรามีสี่ทางข้างบนนี่ทางเลือกสี่ทางว่าจะไปยังไงอ่าไปยังไงแล้วสี่ทางในในแนวนอนนี้ ถามตัวเองว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรนี่รวมแต้มมานี้ก็นะสนาขีดเส้นใต้รวมแต้มนะขาดลอยกันฝั่งฝนี้อ่าใช่ยิบหได้เลยครับแล้วเมื่อคิดแล้วห้ามกลับไปดูอีกนะไม่ใช่ใจอยากอยู่นาซาแล้วทําเป็นปลอมๆเอิ้ไอ้ความคิดนี่ข้าวางปลอมไปมันล้มเนยผมเด็ดขาดเลยอ่าก็อ่านี่ชัดเจนวิธีคิดหลังจากขอบคุณนะขอบคุณมากหลังจากมีข้อมูลความรู้แล้วก็สร้างทางเรื่องของชีวิตว่าจะไปทางไหนกับเมืองไทย กลับมาทําอะไรครับอาจารย์โหนี่แหละคือประเด็โอผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมากเราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมากล้าเลยว่ากลับมาเมืองไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์จนแน่นอนใช่ครับตอนอาจารย์เข้าโรงพยาบาลนี้อาจารย์ป่วยขนาดไหนครับไม่มีแขนใช้เลยเป็นเศษเนื้อห้อยสองข้างเลยยกไม่ได้ขยับไม่ได้เลยนิ้วเป็นแขงอย่างนี้เลยศาสนาพุทธเนี่ย เป็นเรื่องของอายจนะใจครับการอ่านอย่างเงี้ยมันเป็นอายจนะหูกตาตัวหนังสือในโลกนี้ไม่สามารถอธิบายอสิ่งที่ปรากฏการใจเราได้ก็เลยไปเล่าคุณแม่ฟังบอกว่าแม่ทําไมคนเราหนึ่งคนต้องมีหนึ่งศาสนาใครเป็นคนสั่งครับผมบอกผมไม่ได้เปลี่ยนศาสนายังไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยผมบอกผมไม่ได้เปลี่ยนศาสนาผมเพิ่มเออชาวบ้านเขาบอกว่าผีดุมากอะไรเงี้ยมีพระถูกไล่ลงจาก เพียนไปก็เยอะแยะเลยเพราะว่าหลวงพี่ด็อกเตอร์แน่ใจนะหลวงพี่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าชัวว่ากลัวสิขั้นไหนที่ที่ถือว่าเป็นการรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในป่าช้าอ่านี้จัดเกณฑวิธีคิดหลังจากจนแน่สำคึนแน่หลังจากมีข้อมูลความรู้แล้วก็สร้างทางเรื่องของชีวิตว่าจะไปทางไหนกลับเมืองไทยกลับมาทําอะไรครับอาจารย์ โหนี่แหคือปัญหาเก่ามาเก่ามาแทบจะกลับไปเลยอ่ะอาจารย์กลับมาปีอะไรครับกลับมาปีรถแก๊สลว่วสามสิบปีที่แล้วใช่เพชรบุรีเาชรบุรีกลับมาแล้วก็ตั้งใจอย่างนี้นะย์ตั้งใจว่าถ้าเข้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมีบริษัทเอกชนเชิญให้เป็นผู้จัดการเนาะหรืว่าไปจำตำแหน่งอะไรพร้อมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไปอยู่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยโลกผมแคบทันทีครับจันทถึงเสาต้องทํางานเพื่อเขาวันอาทิตย์นอนแน่นอน ชีวิตมันคงแบบเงินเดือนไแน่ๆออาจารย์แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามาเมืองไทยโอกาสได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเดิมนี่มันโอไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นมันไม่มีองค์กรรองผมเป็นคนเตรียมตัวล่วงหน้าะเรียนด็อกเตอร์เจ็ดปีเนี่ยผมจะแอบไปนั่งฟังคลาสผู้เรียนเอ็มบเเนี่ยเกือบสามรุ่นเนี่ยอ่าบริหารได้แน่แล้วผมก็เด็กนักเรียนไทยที่มาเนี่ยผมก็ นั่งทาอะไรนะแก้เคสมาร์เก็ตตแก้เคสเวนิชเบนกับเขาไปเรื่อยเลยอบรมบ่มพ่อตัวเองมาตลอดเพราะกาศเลยว่ากลับมาเมืองไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์จนแน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่าโอกาสทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนี่ยากมากเพราะว่าเมืองนอกเขาเ้าความพร้อมเยอะมากลับมาเมืองไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยซื้อปากกาต้องซื้อเองล้างโครงแล้วเองเราไม่มีสิ่งประดิษฐ์อะไรของไทยนะครับมีแต่งานหัตถกรรมเราไม่มีเราไม่ได้เป็นประเทศที่ คิดค้นสร้างอะไรขึ้นมาซื้อเข้าใช้หมดเลยอ่ะในในขณะที่เด็กไทยเนี่ยได้รางวัลวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆมีนะไม่ใช่ไม่มีอ๋อมันอยู่บนเงาะหมดแล้วแล้วก็แล้วก็จบคือมันไม่มีโอกางเลยอ่เราไม่ได้ได้ครับพปีนี้ก็ดีขึ้นดีเลยฮะก็ก็คงมีดีดีขึ้นเลยก็มีโอกาสแต่ในช่วงผมผมมองว่าไม่เอาละฮะผมก็เลยคิดว่าเป็นอาจารย์จะดีที่สุดฮะแล้วเผอิญก็กลับมาเพื่อนคนนึงจะลาออกจากอาจารย์คณะวิศวะจุฬาพอดี กลับมาจะเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์จุลานะครับจะพูดว่าคนที่จะสัมภาษณ์ผม่าเข้ามาสายไปชั่วโมงหนึ่งผมเลยนั่งกินน้ําอยู่ข้างล่างเื่องคณะคณะวิศวะเดินผ่านมาเป็นอาจารย์เขาบอกมาแทนหน่อยเขาจะออกปรดี๋ก็เลยไปสอนนิดวะเรียนวิศวะมันเปลี่ยนสาขาอีกแล้วไงอาจารย์ที่มาจากนาซาเนี่ยมีวิธีสอนเด็กยังไงฮะผมไม่สอนนะก็บอกน้องๆว่าเนี่ยผมนั่สังเกตผู้อาจารย์น่ย ทำไมต้องพูดเรื่อมเดิมเหมือนปีที่แล้วแล้วเด็กทำไมผู้หญิงนั่งหน้าผู้ชายรอซีหลอกคุณตาบอกไหเพราะว่าเออคุณๆน<ล>ะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่นะมันเสียเวลาอาร <นะ S 2> ดูแล้วไม่ไม่เวิร<ด>์คผมก็เลยบอกนักศึกษาว่ามาอยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องเรียนหรอกเลคเชอร์รุนพี่อ่ะซีหลอกกันไปหมดเลยสอนเสร็จแล้วอ้าวเอาเวลาเราดูหนังสือเราสามวันก่อนสอบใช่ไหมครับก็อยู่กับผมก็สามวันก็ดูหนังสือก็ได้ไม่ต้องมาเรียนนั่งฟังผมคุยเรื่องชีวิตอีกค่ะ อาจารย์สอนอย่างนี้เลยแล้วเรื่อว<ช>ิอชาการไปอ่าน อ, อ่ะอิเล็กเจอร์เดินใช่ใชแล้วคุยเรื่องแรงบันดาลใจว่าจบวิศวะไปเพื่ออะไรเราจะช่วยเหลือสังคมได้ยังไงผมมองเห็นว่านักศึกษาเนี่ยถ้าไม่เห็นชีวิตเนี่ยจบออไปก็จะงกๆเข้มๆทําลายชาติทําลายธรรมชาติเนี่ยมันคุยให้เห็นอควรจะคุยให้เห็นเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตอ่าผมคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยทําไมมีแต่วิชาการวิชาการเนี่ยโลกนี้จะพังอยู่แล้วเนี่ยทำไมทาไมไม่หล่อเลี้ยงจิตใจนักศึกษาอเรื่องวิชาการเนี่ย ตัวอาจารย์เองก็ดุงสือสามัญก่อนสอบไปทั้งนั้นน่ะครับแล้วเด็กในห้องเขาว่าไงครัโอ้ยเด็กไม่ว่าเลยหรอกเด็กก็มาว่าผมจอนผมออกข้อสอบเออผมจะต้นเธอบอกก่อนเลยนะอาจารย์จะออกข้อสอบว่าจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยตั้งคําถามเองออกเองอาจารย์บอกตั้งต้นเธอหมายว่าผมก็เตรียมผมก็เตรียมไว้ได้ใช่ว่าจะตั้งคําถามอะไรนี่ก็ได้เกันหมดดีอาจารย์ไม่กติกาคือถ้า ถามไม่ฉลาดตอบตรงๆไม่ฉลาดก็ศูนย์ต้องถามเชิงวิเคราะห์แสดงให้ผมเห็นว่าคุณได้ตกผลึกวิชานี้แล้วผลผลเกรดออกมาเป็นไงครับศูนย์ทั้งห้องเลยอยเขาต้องบอกว่าแน่้อนทำไมเด็กมันถามง่ายไปหรือว่าย่งไรบางคนลอกเลคเชอร์รุ่นพี่มาเลยเก่งมากคือเด็กไทยเนี่ยจำแม่นเมื่อถึงแพ้ต่างชาติไงคิดวิเคราะห์ไม่ได้เลยถ้าอาจารย์วิเคราะห์ วิธีการศึกษาแบบที่ที่เราเป็นมาเนี่ยเราเราเป็นมาเนี่ยอาจารย์จะเปรียบเทียวบว่าเป็นยังไงหรือลูกอีแรงอะ่ะอีแรงเนี่ยกินของตายใช่ไหมพวก<บ>อาจารย์เนี่ยเขาก็จะเอาวิชาอะไรที่มันตัวเองก็ไม่ได้คิดหรอกอาจารย์เนี่ยก็ไปเอาของชาวบ้านเขาบอกว่าเออของตายเนี่ยมาป้อนใส่ลูกอีแรงอาจารย์เป็นแม่อีแรงใช่เราเอาลูกอีแรงไอ้ลูกก็นอนนอะปากกินของตายเนะี่ยคือคือไม่ใช่แค่ลูกนกที่หลอป้อน เป็นลูกอีแรงด้วยลูกนกมันจะกินของสดของเปล่าใช่นี้ลูกอีแรงใช่ของตายตายมาหลายปีแล้วไอ้ไอ้เล่มนี้เออสอนกันมายี่สิปีไม่เปลี่ยนโจทย์เลยเนี่ยตายมายี่สิบปีเอาไหมเอามาให้ลูกอีแรงกินเก่ามากเนื้อหามันเก่ามากอาจารย์อยากให้ไม่เป็นลูกอีแรงอาจารย์อยากให้เป็นอะไรผมว่าอยากให้เขาค้นหาตัวเองแล้วก็ไปเอาโจทย์ที่ได้มาแล้วมานั่งล้อมวงโซเลคุยกันแล้วก็เติมโซเลคือเป็นคำสูงมากโซเลคเป็นภาษาฝรั่งเศสครับโซเล นะครับคนอุดรอุดรจะรู้จะรู้เลยไปถาโซเล่กันสนทนาสนทนาสัมสังสนทนาเรียกว่าโซเลนาซาใช้บ่อยการเรียนการสอนที่นู่นจะไม่เป็นลักษณะอาจารย์อาจารย์ข้าบของตายมาโยนในห้องคุยกันเดินในป่าเดินในธรรมชาติแล้วนั่งหาว่าวิศวกรรมที่ซ่อนอยู่ในป่าคืออะไรออาจารย์ผมก็จะพาผมไปเดินที่สนามกอล์ แล้วเขาก็เด็ดไปไม้ดูใบหนึ่งแล้วก็ถามว่าที่เด็ดเนี่ยใช้แรงกี่เมกะปาสคาลออเออทุกอย่างมันก็เป็นวิชาการอยู่แล้วใช่ตอนหลังเลยได้โครงสร้างใหม่ชื่อคอมบูสิตแมททิเรียลก็คือเราไปวิเคราะห์ต้นไม้พบ ว, ว่าโครงสร้างมันเป็นไฟเบอร์ใหญ่ยาวทำให้เป็นที่มาของวัสดุใหม่ๆของนาซาทั้งหลายตัวโน้ต้าทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติหมดแต่เด็กวิศวะไม่เรียนชีวะแล้วจะไปรู้โ no น้ต้าใหม่ๆ ไ, ได้ยังไงก็กลายไปกินน้ําใต้ศอก สุดท้ายคือวิศวะเขาวิยาศาสตร์ของไทยส่วนใหญ่นะกลายเป็นนักจัดซื้อของต่างชาติอ่ะแล้วพออาจารย์แหวกวิธีเดิมๆหรือว่าแหวกแนวจากคนอื่นเนี่ยก็โดนเด็กมาวอยวายที่คณะเขาก็ไปฟอ้องหัวหน้าภาครประมาณนั้นอนะ่ะแล้วเขาว่าไงฮะก็ผมก็ไม่รู้เขาเทอมใหม่ผมก็เลยออกใหม่ออกข้อสอบใหม่เทอมต่อมานะะผมบอกข้อสอบล่วงหน้าเหมือนกันปั้นจันทรไปอยู่บนยอดตึกได้อย่างไร<ะ>ข้อสอบง่ายๆเลยะตกกฏเห ม, มือนกันไม่มีใครรู้เลยครไม่ค<ะ>ิดจะรู้เขาคิดว่าผมพูดเล่น มันจะยากไงก็ไปยืนดูเลยสิว่าเขาทํายังไงถ้ามันไม่ไปอ่ะอก็คือทําไมมาป้อนลูกอีแลรงอ่ะมันจะอยู่ในรังก็จะรอว่านหรืออย่างใช่ไม่มาบอกด้วยปัญจันตมันอยู่ได้ยงไงอ่าบางคนก็ตอบอย่างโง่โง่เลยว่าคอพเตอร์ขึ้นไปวางโอ้หน้องรู้ไหมขึ้นไปได้ไงมันยกตัวเองขึ้นไปทีละนิดประกอบแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไปใช่อ่ะเอคนนี้ขอบคุบเป็นอาจารย์อยู่กี่วันกี่เดือนยังไงครับ ไม่ได <Elsa, S 2> <14 year. S 1> ้ชาญอยู่หกปีครับแล้ว <c oughs> ก็เลยออกผมมีความเห็นว่าสอนนักศึกษาเนี่ยพวกเธอยังไม่พร้อมที่จะมาเรียนเน่ะเพราะระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันจบมหกแล้วเนี่ยคมันเหมือนเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยอะมาตามความฝันและความเชื่อโดนครูแนแนวหลอกให้มาเรียนกับเราอ่ะใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เด็กเรียนเก่งเป็นเด็กมีปัญหาว่าทางเรื่องหรือสองสองตัวเองสุพัฒน์กับวิศวะอืม ผู้คนไม่ได้ค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นอะไรแต่ในต่างประเทศเนี่ยคุณดูจะต้องต้องจบจบวิทยาศาสตร์สี่ปีก่อนนะแล้วค่อยมาค่อยมาสอบแข่งเข้าแพทย์นะของเรานี่เด็กม .6 ยังไม่รู้ชีวิตคืออะไรเข้าแพทย์ได้แล้วครับหรือคณะนิติศาสตร์เนี่ยต้องจบปริญญาตรีสาขาอื่นก่อนถึงจะมาเรียนนิติอันนี้จบม .6 เข้านิติได้แล้วกฎหมายไทยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมฮะไม่พัฒนาเลยเงี้ยมันก็ังว่ามันไม่ใช่นะในความเห็นผมนะครับเอาล่ะไม่เป็นอาจารย์ละ เงาละเอาอะไรดีกวนี้ก็เนื่องจากชื่อเสียงออกมาทางด้านเป็นที่ปรึกษาบริษัทโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะครับบางทีเด็กเด็กในคลาสมิสวาจุลาท้อแท้ขึ้นมาเนี่ยผมพาไปดูเลยนะผมไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทอะไรชี้ให้เห็นเลยว่าใช้วิชานี้แล้วจะรวยได้ไงวิชานี้จะรวยได้ไงวิชานี้ลดต้นทุนได้ยงไงวิชานี้<อ>จัดโอกกรได้ไงเด็กคึกข้างห้องอะไรอย่างเงี้ยอนี่ยพอจบออกมาผมก็เลยทําอาชีพนี้ต่อเป็นที่ปรึกษาอขององค์กรองค์กรบริษัทใหญ่ใหญ่ครับจ้างครับ คงเจ็ดปีที่อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเนี่ย ม, มันยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องอาจารย์บอกว่าไปนั่งขอบจั ก, กรวาล450ล้านปีแสงแล้วฉันไม่เอาละฉันจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเข้าไปในหัวใจตัวเองเนี่ยสามเซนสองเซนเนี่ยมันเริ่มตอบโจทย์อันนี้ตอนไหนครับตอนมาเป็นอาจารย์ทุลาได้สามปีหลังหักสวรรค์บรรดาหลังหักคือคือกระดูกผมเปราะนะ เปาะแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับแคลเซียมมันไม่ยอมอยู่กับกระดูกผมอ่ะครับครั บ, รบมก็เลยเล้าเล้วเลยต้องนอนโรงพยาบาล น, นิ่งๆนั่งรถเข็นอยู่ประมาณปีหนึ่งอ่ะรถเข็นแล้วก็ไปสอนหนังสืออ่าครับอาจารย์ครับตอนอาจารย์เข้าโรงพยาบาล น, นี้อาจารย์ป่วยขนาดไหนฮะไม่มีแขนใช้เลยเป็นเศษเนื้อห้อยสองข้างใช่ไหมเออมันมันเป็นที่คะอาจารย์บอกกระดูกหลังก็ตอนผ่าตัดมันคงมีอะไรบางอย่างบางประการนะนะทำให้ทำให้ แขนสองข้างใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ขนาดไหนฮะเป็นเศษเนื้อค่อยอย่างนี้เลยยกไม่ได้ขยับไม่ยับไม่ได้เลยนิ้วแข็งอย่างนี้เลยแข็งอย่างนี้เลยแกบอกเออเศษเนื้อติ่งตเนื้อเลยโอ้โหหก็คือยับไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเลยนอนเป็นผักอย่างนี้เลยแล้วนานแค่ไหนฮะสามเดือนเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอพอนอนนิ่งๆอยู่โรงพยาบาลเนี่ยครับขยับแขนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็มีพวกนาแนที่กันไฟฟ้านะ เขาเอาหนังสือธรรมะมาให้เอาเทปมาให้ฟังตรงนั้นแหละผมถึงรู้เลยว่ามนุษย์เราถึงนอนนิ่งๆอย่างนี้นะจะมีอย่างหนึ่นงที่ขยับได้ลมหายใจอืก็เลยเอาเอานะลองลองหายใจพุโทโธตามนี้เขาสอน ด, ดูสักครั้งหนึงปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บผมก็เลยคิดได้จิตสงบปัญญาจะออกก็เลยไปบอกหมอแผนปัจจุบันว่าช่วยส่งไปหาแพทย์ทางเลือกอื่นได้ไหม <laughs> ก็รักษาด้วยวิธีอะไรฮะสุดจ้ายก็ไม่ได้ได้ที่โรงพยาบาลที่เขาแนวมวยจีนเนี่ยแนวเลือกแผนจีนแผนจีนนะแผนจีนแล้วระหว่างที่อาจารย์ต้องต้องนอนอยู่เฉยคือทำอะไรไม่ได้เนี่ยอาจารย์ผมไม่เคยคิดว่าผมพิการนะนอนอย่างเดียวเลยใช่ผมคิดว่าร่างกายมันก็มันก็เป็นจังซี่ะแต่ว่าใจเราไม่พิการผมก็จะให้พยาบาลเข็นรถผมเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้ใกล้ตาย คือวอดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นพวกถุงงมงโป่งคลองดูดบุรี่พวกตับแข็งเล้านะพวกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแหละคือเป็นโรครายแรงมนะั้งใช่เป็นอาการที่หน<ช>ักมากผมก็ไปสอนธรรมะคนที่ใกล้ตายอะอยู่กับเขาจนเขาเขาจากไปตั้งหลายคนเนะี่ยให้กําลังใจให้พูดเห็นว่าความตายไม่มีในโลกมันก็แค่ขึ้นรถเมลแล้วก็สุดเส้นทางแล้วก็ลงแล้วผมก็ไปแซวคนใกล้ตายว่าเนี่ยผมมาส่งคุณไปเรียนเมืองนอกนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็บอกญาติว่าเดี๋ยวก็ตามไปเนี่ยเขาไปเรียนมึงนอกครั บ, รบแล้วผมก็ขอบคุณการบาดเจ็บของผมนะเพราะถ้าไม่เจ็บอย่างเนี้ยก็จะวุ่นวายาการสอนหนังสือ<ม>เป็นที่ปรึกษาถูกลงไว้กับไอ้พวกนี้ทั้งสามสี่ปีเนี่ยออ<ม>ืครั บ, รบออพอพนอนนิ่งๆแล้วขอบคุณเลยฮะโอ้เป็นโอกาสอันดีนะที่เขาทำให้เนอนนิ่งๆเนี่ยทำให้เราได้ฝึกรวมหายใจเข้าออกพุดโทได้ละอือ<ม><ม>ผมขอบคุณทุกครั้งที่ผมเจ็บป่วยนะ ค, ความเจ็บป่วยทําให้จิตเราอยู่กับกายเราอยู่เสมอไม่ส่งจิตออกนอกพอได้ฝึกในระดับหนึ่งก็อยากบวชทีฮะผมเชื่อว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของอายจนะใจครับการอ่านอย่างเงี้ยมันเป็นอายจนะหูกระตาตัวหนังสือในโลกนี้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ปรากฏการใจเราได้ตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นอายจนะหูกระตาอธิบายความอร่อยก็ไม่ได้ถูกไหมครับ เห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเนี่ยให้เขียนที่ใบไงก็ไม่ได้ภาษามันเป็นเรื่องที่มันความละเอียดมันจางไปไม่ถึงคั้จํากัดสิ่งที่เราเข้าใจขีดจํากัดทางภาษาผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องบวชฮะอ่านหนังสือธรรมะไม่ได้ต้องบวชแต่คุณแม่ผมว่าท่านเป็นคริสต์ท่านก็จำท่านก็จะอาจจะงงๆหน่อยก็เลยไปเล่าคุณแม่ฟังบอกว่าแม่ทําไมคนเราหนึ่งคนต้องมีหนึ่งศาสนาใครเป็นคนสั่ง ครับผมบอกผมไม่ได้เปลี่ยนาศาสนานะยังไม่เคยมีใครถามแบบนี้เฮะผมว่าผมไม่ได้เปลี่ยนาศาสนาผมเพิ่มออ อ, อออเแล้วแม่บอกเดี๋ยวแกทำอย่างนั้นไม่ได้บอกแม่แม่เป็นนักธุรกิจเนี่ยใช่ไหมแม่จะทุ่มทุนลงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคําตอบบอกมาผิดแม่หมดตัวนะไม่แม่แม<อ>ไม่แทงกั๊กล่ะ<อ><อ>กระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงค่ะชนานี้นี้นี้นี้นะนะพอตายไปอันนี้ออกมายังมีเด็กเชื่ออยู่บ้าง แล้วศาสนาพุทธเนี่ยอ่านไม่ได้ฟังไม่ได้อ่ะพระรอบตัวอาจจะเลวร้ายหมดเลยอ่ะแต่พระดีๆเราเคยไปหาหรือยังอืมใช่ไหมครับผมก็เชื่อในสายหลวงปู่มั่นนะครับผมก็ไปบวชกับหลวงปู่จันทาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลงปู่ขาวอ่ะทากองเพลงครับ่ได้บวชกี่วันครับวางแผนไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วบวชภรรยาอนุมัติสิบห้าวันครับพอลูกคุณสองเดือนก็เลยเอางไงกันผ้าเหลืองมันก็คือผ้าเหลืองนะผมก็เลยซ้อมเรื่องหน้าสามเดือนเลย โอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมากเราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านม า, าผมด้วยเหรออาจารย์เช่นเถ้าดูหนังเรื่องแมทริกนะ์มันคือฉากไหนหรู้ไ่าสมิธมันคือกิเลสหรอกไหมตอนที่ตอนที่สมิทยิงปืนเนี่ะไอกระสุนนี่แหละคือความคิดพอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องแมทริกซ์หลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บปุ๊นี่ฮะนี่คือวิปัสสนาง่ายๆเลยได้บทสีวันครับวางแผนไว้อย่างไงบ้าง จริงๆแล้วบวชภรรยาอนุมัติสิบห้าวันเพราะลูกเพิ่งสองเดือน2 2> แล้วก็ก็ <ๆ S 2> เลยเอากี้ด้วกันผ้าเหลืองมื่ก็คือผ้าเหลืองอะนะอผมก็เลยซ้อมล่วงหน้าสามเดือนเลยโดยการอมมือเดียวอทําวัดปฏิบัติให้เหมือนพระเลยตาตนนั่นแหละไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองอ่ามือเดียวไม่ได้โกนไม่ต้องโกนพระศอสื่ออยู่คแล้วเดินทุกเก้าเนี่ยพุทโธหมดเลยก็คือเรียกว่าปฏิบัติมามาในระดับหนึ่งค่อนข้างคล่องแล้วล่ะซ้อมก่อนซ้อมแล้วออกไปแล้ไม่เหมือน พอไปบวชแล้วก็ปรากฏว่าพอเห็นกุติแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่อยู่ๆมันมีแรงบันดาลใจพุ่งขึ้นมาว่าต้องอยู่กรดกับม้งอ่ะไม่อยู่อาคารไม่อยู่บ้านไม่อยู่กุติช่การอ่านเรื่องวัดป่ามาตลอดเนี่ยใช่ไหมต้องแบบมันต้องมีเหตุผลที่ทําไมเกจิท่านถึงต้องออกไปอยู่ในป่าใช่ผมอ่านแล้วผมมีความเห็นว่าการเรียนรู้ในโลกเนี้ยมันต้องลงมือทําอำหากเป็นเรื่องมีเป็นประโยชน์เป็นกุศลนะครับอ่านสิบเปอร์เซ็ตแล้วก็ ทำเก้าสิบเลยแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ครับหลวงปู่จันทาท่านก็จะรอผมผมก็จะขึ้นไปบนดอยเล็กๆที่พิจิตรอ่ะก็ขึ้นไปตอนตอนเย็นใช่ไหมเช้าก็ลงมามาสอบอารมณ์กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็จะถามถามถา ม, ถามแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เราขึ้นไปนี่ไปปักกรดที่ไหนฮะถ้าบนยอดดอยซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าผีดุมากเลยเนี้ยมีพระถูกไล่ลงจากเพี้ยนไปก็เยอะแยะเลยชาวบ้านเขาขูกันใหญ่ ว่าหลวงพี่ด็อกเตอร์แน่ใจ like kind of like like We นะหลวงพี่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าชัวว่ากลัวสิแล้วไปไปปรากฏก็พุดโททั้งคืนไม่หลับไม่นอนทั้งคืนก็ตั้งใจฝึกอย่างเดียวก็กลัวนะกลัวเหมือนกันแต่ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยก็โอเคครัขั้งไหนที่ที่ถือว่าเป็นการรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในป่าช้าเอ่อช่วงนั้นเป็นข้ามวายเคพอดี คืนนั้นผมตั้งใจว่าถ้าหาข้าพเจ้าฝึกแล้วไม่ค้นพบสัจธรรมนางพุทธศาสนาเนี่ยข้าพเจ้าจะยอมตายบนยอดดอ ย, ยบอกกับตัวเองว่าอย่างนั้นคือไม่นอนตรงนั้นเป็นป่าช้าก็เป็นยอดดอยธรรมดาครับ<อ>ก็ตั้งใจไว้กันเลยนั่นคือเป้าหมายทาจารคือจะขอเดินจตกรมทั้งคืนขอบรรลุธรรมเลยแหละถ้าไม่นั้นก็จะไม่บรรลุธรรมนี่หมายความว่าก็อันไหนะค้<อ><อ>นพบนิพพานเลยค้นพบเด็ดขาดไปเลยก็จะไม่ลงจากเขาเลยแล้ว หลวปู่ก็ดาาเลยท่นบอกว่าแป๊บเดียวจะตกใจเลยเกินไปครับเดียวจะเอาแบบเมืนมาเรียน5้าวันจะปริญญาเอกเอแล้วว่าเกินไปจะสร้างจรวดตั้งแต่วันแรกมาเริ่มเรียนเลยพอบอกสุดโตงเกินไปให้อยู่ตรงกลางให้มันพอดีให้สบายๆแล้วก็ห้ามขึ้นเขาแล้วให้มันนอนอยู่หน้ากุฏิเนี่ย คนพบทั้งใหญ่นั่นแหละสุดท้ายคือเราคนพบได้อยู่ดีว่าสุดท้ายผมก็เลยนั่งสมาธิตันกลางวันแล้วก็ได้ชาในระดับหนึ่งแหะก็เริ่มเข้าใจเลยมากขึ้นได้ชาได้สมาธิดีมากครับก็ปิ๊งเลยปิ๊งไหมมันตอบคำถามที่ตอนอยู่เมกามไหมฮะโอโหจะเป็นคนศาสนาฟุตเนี่ยสุดยอดกล่าวไม่ได้นะก็คนพบแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าดีละ ก็เลยบอกปู่กันผมไม่ศึกแล้วการขอเป็นพระช่วยชีวิตเพราะผมเห็นคําตอบแล้วครับว่านี่คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วตำราเล่มใดในโลกนี้ก็มิอธิบายตรงนี้ได้อืคูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจจ า, จากสายตาของคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยมาค้นพบศาสนาพุทธในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์อาจารย์มองอย่างไรครัโอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมาก เราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาผมด้วยเหรอจ๊ะเช่นเช่นเช่นว่าใช่นะแปลว่าสมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหคนละเรื่องเลยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโบมหรือจะเป็นไอน์สไตน์อะไรพวกเนี้ยเขาเป็นนิวเซนส์เป็นวิทยาศาสตร์ใหม่หมดเลยวิทยาศาสตร์เก่านี่จะแบ่งอะไรที่มันเป็นแบ่งแยกอ่ะแบ่งแยกเิท้าศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นนิวเคลียสใช่มันนี้อิเล็กตรอนอะอะมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนแล้วมันต้องอยู่ตรงข้ามกัน ใช่ถูกใช่อิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมาก็เเราเคยเห็นโมเดลที่มันเป็นก้อนเลยเป็นเม็ดอ่ะเป็นดาวคล็อกอะไเงี้ยแต่ว่าเป็นระดับอะตอมมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์โอเคนัวิทยาศาสตร์สองสองสามคนมันเจอมันบอกว่าอย่างนั้นใช่แล้วเราก็เปลียนการแต่พวกผมนาซ่าไม่ใช่อ่าผมก็มองว่าอ้าวแล้วช่องว่างระหว่างนิวเคลียสหรือิเล็กตรอนนั้นคืออะไรคืออะไรก็ใช่หนูไม่รู้ไม่ได้สอนเพราะมันไม่สอนเรากล้ายกมือถามครูไหม แล้วมันวิ่งได้ไงมันเราแรงจังเลยมันวิ่งไปวิ่งได้ไงสุดท้ายคําตอบใหม่พบเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันกระพริบเกิดดับมีแล้วมันไม่มีที่มันไปอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแล้วสร้างรูปให้เราเห็นเนี่ยมันกําลังอยู่โหมดกลัวโหมดต่อสู้เราเพราะเราเอาเครื่องมือไปวัดมันก็เหมือนมวยอ่ะใครมาก็ตั้งสแตนอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่อยู่มันก็ใครไปยืนอย่างนี้ทั้งมันเน่ยใช่ไหมเออมันก็เริ่มคลายตัวออกคือคือการที่เราไปวัดก็ไปกวนมันละ คุณเข้าไปควรระบบเขาเขาก็เลยฟอร์มตัวในท่าที่ป้องกันตัวเองอ๋อจริงๆโมลเลกุลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหรอครับไม่ได้เป็นมันเป็นยังไงครับมันมีและมันไม่มีเกิดตายเกิดตายเกิดตายในเวลาที่สั้นมากๆครับเป็นล้านล้า น, านครั้งต่อวิซึ่งพระพุทธเจ้าพูดตรงนี้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าเจอตั้งสองพันปีก่อนแล้วคือวิยเรายังมาสอนผิดอยู่อีกใช่ แล้วตุรีฝรั่งต่างชาติก็ถือพูทธคืเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับคือวิทยาศาสตร์ค่อยๆไล่ทับศาสนาว่าใช่ใอ้าวอธิบายสิที่พระพุทธเจ้าบอกได้แล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องๆเข้ามาแล้วมาที่ชายขอบนะเริ่มมาชายขอบแต่ระบบการสอนมันก็ไม่พอมันต้องเป็นระบบปฏิบัติถูกต้องต้องเขาหลักสูตรทิ้งหมดเลยเพราะมันสูงเกินกว่าที่จะมาบอกเล่ากันได้เพราะเราใช้ระบบจําแล้วก็มาสอบเนี่ยอาจารย์พอผมสงสัยพออาจารย์ ได้ได้บวชเรียนได้เข้าใจอะไรบางยอย่างเข้าไปในเนี่ยสองเซนจากหน้าอกเข้าไปได้ได้แล้วเนี่ยมันต่างไหมครับมองชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่จะไปต่อจริ ง, รงๆแล้วหลวงพ่อกล้วยที่ขอนแก่นเนี่ยที่ในป่าช้านะ่ะมาทําให้ผมเดี๋ยวอาจารย์ไปขอนแก่นอีกทีใช่แล้วตรงนั้นมันไม้แค่ชานเองนะะชานมันแปลว่าสเตชนนะันอ่ะชานมาจากคำว่าชานฉลาอนะ่ะมันคือแค่สเตชนนะันอ่ะมันยังไม่ได้ปัญญานะคถ้าจะได้ปัญญามันต้องไปเห็นความคิดเห็นวิปัสนาญาณเนี่ย ถ้โชคดีก็ไปเจอหลวงพ่อพกล้วยที่ขนแก่นอครัหลวงพ่อพกล้วยก็สอนว่าให้เลิกให้เลิกนั่งสมาธิให้เลิกปิดตานั่งสมาธิให้ให้เห็นความคิดที่ปูงแต่งในป่าช้าอืมให้จับความคิดให้ได้โฮปิ้งเลยไอปูงแต่งคือเรากลัวโน่นกลัวนี่เหรอ<ช>เราเราเรา<ช>เข้าใจตัวเองใช่ตีหนึ่งตีสองในปา่าช้าแบบอีสานที่มืดมืดแล้วก็หลุมศพที่ดินพุ่มๆอย่างเงี้ยเป็นสิบศพเรียงอยู่เงี้ยไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแค่ใบไม้หล่นอันหนึ่งเราก็ โหหนังผีขึ้นแล้วนึกภาพอฉันึกภาพออกถ้าดูหนังเรื่องแมทริกซ์นะมันคือฉากไหนรู้ไหมสมิธมันคือกิเลสหตอนไีมตอนที่สมิธยิงปืนน่ะไอ้กระสุนนั่แหละคือความคิดตอนเมมเบรนนีโอนีโอหลบเอาเนี้ยนีอจัไอ้จับนี่แหละคือวิปัสนาญาณคือมันเริ่มไวขึ้นพอที่จะคาคิดปรุงแต่งกันแรกอ่ะคุณเราเห็นเห็นของอันนึงปั๊บเนี่ยของ นช่ไหมเราจะอยากได้เนี่ยไอตัวอยากได้มันเป็นกระสุนที่เป็นกระสุนต้องจับปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ของของเราแล้วครับวางให้ทันพอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องแม่ทัพหลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเนี่ยฮะนี่คือวิบัติษณะง่ายๆเลยอืง่ายเลยแล้วพออาจารย์ได้ได้ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําเรื่องที่ปรึกษาอยู่อย่างคนพบเลยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงก็เริ่มไปศึกษามากขึ้นเผอิญโชคดีปูนซีเมนไทย SCG เนี่ยก็จะมาทำทางด้านซอฟต์ไซส์แมเนจเม้นต์หความว่าดูแลด้านด้านในมาุมากคือฮิวแมนไน์อะไรพวกนี้นะก็เพระเออเขาก็เชิญผมไปผมก็อ่านตำราฝรั่งที่เข้ามาทางด้านซอฟต์ไซส์ฮิวแมนไซส์เนี่ยปีเตอร์เซนกี้ออตโตชามเมอร์ไล่ไปไล่มาเป็นลูกศิษย์สายพุทธหมดเลยนั้นเทรนแมเนจเมนต์สมัยใหม่เป็นพุทธวิธีเกือบหมดแล้วอ๋ออาจารย์ก็เลยผสมประมาณวิธีเข้าไปง่ายเลยง่ายเลยอาจารย์ทอะไรกับองค์กรบ้างฮะก็ จากองค์กรที่แข็งแข็งทิ่เที่ยมผดโหดใช่ไหมฮ<จ>ะวัดผ ล, ผลดุเดือดวัดผลด้วย KPI วัดผลกันอันนี้เป็นสมัยใหม่นะใช้ความรักนําหน้าการบริหารเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยจะคิดอะไรได้ใหม่ใหม่ตอนที่จิตใจเป็นยังไงทํายังไงจะเปลี่ยนองค์กรเป็นชุมชนที่น่าอยู่อออืเแล้วก็เริ่มทําตามในหลวงแล้วไงกลายเป็นองค์กรพอเพียงครับพอเพียงหมายความว่าเมื่อไหร่จะเลิกเสพเทคโนโลยีต่างชาติสักทีหนึ่งทําไมเราไม่ไม่หาอะไรความสุขภายในสุดท้าย การทำกำไรของบริษัทเนี่ยเพื่ออะไรบริษัทกำไรแต่เอาเงินออกรอบประเทศหมดเลยบริษัทกำไรแต่ลูกน้องค่าตัวตายบริษัทกำไรแต่เจ้านายเป็นโรคหัวใจความดันซึ่งก็กลายเป็นกำไรที่ไม่ยืนไม่ยืนยาวต้องเป็นกำไรที่มองไม่เห็นเป็น intangible benefit ทำให้พนักงานรักองค์กรมีอะไรเป็นรูปธรรมที่เห็นอาจารย์แบบสร้างอะไรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ต้องโผลิตเพิ่มกำไรเพิ่มอย่างของ S C G นี่เข้าไปถึงขั้น สร้างนาวัตรกรรมแบบประเภทสอนญี่ปุ่นแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ได้แล้วนะ mm hmm. เทคโนโลยีอินจิเนียส์ไทยเก่งแล้วนะ mm hmm. ครับเพราะว่าพอลูกน้องมีความสุข ค, ความสบายเจ้านายไม่กดดันแล้วมีพื้นที่หรือเวทีเล็กๆให้ได้ลองของนะครับคนไทยเก่งนะ mm hmm. แต่ที่ไม่เก่งเพราะว่าเจ้านายกับครูเนี่ยตราหัวพวกเราว่าเราโง่ตลอดเวลาแล้วไม่เคยเปิดโอกาสให้เด็กได้ไดแสดงะ mm ่ะ hmm. อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงสมมติอาจารย์เข้าไปในองค์กร สมมติแบบนี้ขาดวันแรกสมมติตตมีท่านผู้ชมเป็นเป็นพนัก ง, งานบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทก็ตามเราวด้ข้อแนะนําให้เขาไปทดลองกับบริษัทเขาไห ม, ม, ม<อ>ในบริษัทเขาเนี่ยเนี่ยสมมติอีกแผนกนึ่งทา ง, งานช้าว่ากันวิจารณ์กันเคไม่เครียดมากง่ายเลยนะถ้าเราจับกระบี่และดาบเนี่ยในหนังพนะเลรศวรสองเนี่ยถ้ากําแน่นอย่างนี้ตลอดนะ ก็คือพนักงานในบริษัทมันเครียดตึง<ม>เก่งเจ้านายจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมต้องทําตัวเลขให้ได้ KPI ยอดขายต้องําเกรงตลอดนะคืออยู่มีอะไรมากระทบเปี้ยงเช่นเมียขอหย่าปังหลดเลยนะดาบหลดเลยตาย<ม>แต่ถ้าเราดูในหนังสมเด็จพระนสรศวรภาคสองท่า น, นบอกให้นี่ฮะถ้าผ่อนเกินก็งานเสียแน่นเกินก็เกรงแล้วก็จะสบายๆพอมีอะไรมากระทบจะทาไมฮะก็ยืดหยุ่นได้รับได้ยืดหยุ่น <มา S 1> หรับได้อ่ พอเข้างานเข้าสบายๆมีเวลาโศเลกันนะคุยกันคุยกันเนี่ยโศเลแล้วคุยกันอุปมาเหมือนหัวเมียเนี่ยไม่คุยกันเลยเนี่ยโอกาสหย่าสูงทีนี้เจ้านายกับลูกน้องมันก็เหมือนหัวเมียแหละพอไม่คุยกันเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแง่ีก่อนนี้เรียบร้อยองค์กรพังนะอาจารย์จับเข้ามาโศเลยังไงครับก็หลอกล่อยังไงฮะเช่นทํากิจกรรมร่วมกันล้อมวงคุยกันเอาโต๊ะโต๊ะอี้ออกหมดเลยกลับไปสู่วิถีไทยโบราณ คนไทยโบราณรับกันเพวะเราคุยกันบ่อยอย่าง ค, คนใต้เ็าจะมีสภากาแฟใช่ไหมครับนั่งกติกาคือห้ามคุยเรื่องงานอ๋อแค่นั้นเองง่ายๆมีแบบมีหลายอย่างนะบางทีก็ใช้คลิปโฆษณาท่านสั้นด้วยกันแล้วก็ขัดกันคอมเมนต์แต่ว่าห้ามบลัอห้ามเบิ้ลห้ามบลัอห้ามเบิ้ลห้ามดับความหวังกันคุยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประมาณสามปีอ่ะ วันกี่อเดือนครั้งกี่อะไรยังไงครับเดือนละครั้งนี่แหละเดือนละครั้งเนี่ยเจอผมบางบางบริษัทผมก็พาไปเดินป่าด้วยกันอไม่ต้องคุยเรื่องงานเชื่อไหมผมเริ่มต้นยังไงเลยไหมอย่างของคุณสิเป็นไทยเลยพวกเนี้ยพาไปดูหมู่บ้านที่ในหลวงทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเห็นเลยว่าปอสีอีสานเนี่ยครับปัญญายังสูงกว่าพวกคุณจบโทจบเอกเลยเพราะอะไรเพราะจิตใจเขามีจิตอาสาตัวจิตอาสาเนี่ย สุดท้ายผมไปดูงานทางด้านฝ่ายบุคคลเนี่ยเราเลิกดูเกรดดูสถาบันกันได้แล้วจะดูคนที่มีจิตใจอะ่ะจิตใจแต่เราก็ใช้หลักไตรนาสวดผสมของในหลวงนะมีเด็กเกียรตินิยมบ้างไม่เกียรตินิยมบ้างนะหมาอะไรดังบ้างหมาอะไรไม่ดังบ้างเนีผสมคลุกเค้ากันไปแต่ทั้งหมดต้องมีเรื่องเดียวเหมือนกันเลยก็คือจิตอาสาแล้วเขาเปลี่ยนเยอะไหมคโอ้เขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้ววัดทุกขนแห่งอืคือวัดใจไงอาจารย์ครั บ, ค, รบคุณดรวรพัฒที่ วันนี้อยู่เมืองไทยอยากมีความสุขครับกับเด็กชายวรพัฒน์ที่ตอนนั้นไม่อยากอยู่เมืองไทยวิธีคิดอีกแบบหนึ่งมันตอนนี้ได้ข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ไม่มีอะไรสรุปอีกแล้วเพราะเราไม่ใช่เรื่องข้างนอกเลยใช่ไหมอาจารย์มันกลายเป็นเรื่องข้างในตอนนี้ผมก็อยู่อารมณ์หายใจแล้วก็เข้าออกผมมีความสุขอยู่ข้างในตรงนี้อวันไปจะตอบอะไรก็คือต้องกลับมาดูข้างในตัวเราตลอด จิตแล้วก็รักษาสงบไว้ความคิดเราก็แล้วแต่จะถามอะไรมาเนาะเป็นกุศลเปวนอกุศลแล้วก็ฟังไว้ทําจิตเราให้มันสงบสงบแล้วก็เดินลมปราณก็คือดูล้มลมหายใจไว้ดูการเคลื่อนไหวของแล้วถ้าไอระบบที่มันไม่ค่อยดีที่อาจารย์เจอแบบคนเฮงซวยระบบเฮงซวยในอดีตที่ผมเกลียดมนกตอนนี้เกลียดวันนี้มันก็ยังอยู่นะผมว่ามันก็ยังาล้วเรามีมุมมองยังไงครับนี่จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้ดอกบัวเนี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยโคลนต้มที่สกปรกจริงไหม ครับเชื่อไหมแล้ววันนี้ประเทศไทยมีเรื่องบ้าๆ บ, บอบชั่วร้ายมากๆผมว่าคนมหันสนใจศาสนาพุทธเพิ่มเพียบเนี่ยอขอตัวอย่างในโลกเนี้ยมันมีดีและมีเสียมันไม่มันไม่ดีร้อยเสียร้อยหรอกมันไม่มันไม่สุดโต่แบบนั้นอ๋อเห็นว่าใช่มีด้านดีของใ้เรื่องเสียปัจจุบันใช่โครนตมก็มีข้อดีเพราะนั้นการที่ประเทศไทยไม่เจริญเลยทุกวันเนี้ย อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะทําให้เทคโนโลยีแบบฝรั่งอนะ่ะเข้ามาช้าลงทําให้คนไทยอยู่กับาศาสนาพุทธมากขึ้นอืณวันนี้ถ้าจเจริญสุดขีดเหมือนใเมกันอาจจะไม่มีใครสนใจาศาสนาพุทธเลยก็ได้ครับตอนนี้อย่างอินเทอร์เน็ตมีแต่คนว่ามีรูปโป้งูปโปอ้อะไรเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คําสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพอ่อคนที่มีธรรมะคุยในอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นนะนะในในผมบอกเลยเป็นหินอย่างนะอย่างอย่างมวยไทยเก๊กอะครั บ, นรบในดีมีร้ายในร้ายมีดีอะ เวลามันก็ไม่แน่นอนนี้มันจะมันจะบุนไม่เรื่อยอะ่ะมันไม่ใช่เป็นนิวเคลียสเล็กตอนแบบนี้อ่ะมันมีพลวัดของมันน ะ, ะพลวัดที่จะหมุ๋นไว้อาจารย์มองว่าอนาคตสังคมของเราจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้มองในลมหายใจตัวเองสปปรรพสิ่งต่างๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อก่อนผมเคยจะปฏิวัติคล้ายๆกับต่อสู้เพื่อความถูกต้องเลยนะแต่ผมอ่านประวัติศาสตร์มากๆผมยอมแพ้เลยเหมือนเหมือนจอกแหน่นะ คุณข้างก้อนหินไปก้อนหนึ่งนะมันก็สงบแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันก็ชั่วร้ายเหมือนเดิมคุณค่าจินสีห้องเต้าตายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีทรราชใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองอะ่ะมนุษย์มันจิตใจมันโลภปวดหลงเนี่ยคุณป่าบคนนี้ทิ้งนะไม่เกินป<ต>ีสองปีอีตัวใหม่มันก็มาสุดท้ายผมโป่งได้เลยว่าเหมือนเป็นตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีที่สุดเนี่ยตัดใจดีกว่าอืเกิดมาทําไมเกิดมา เราเกิดมาเพื่อจะต้องนิพพานหรือเมื่อจะนิพพานแล้วเห็นสิ่งชั่วร้ายต่างต้องขอบคุณมันมันทําให้เราได้เห็นตัวเราอย่างนี้ถ้าเราไปคอยวิยจงวิจารอะไรอยู่ตลอดเวลาเแล้ ว, ลวมองตัวเองดีกว่าไปแล้วถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นฟังอาจารย์ตอนเล่าเรื่องในวัยเด็กจนถึงวัยนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนเลยแล้วผม <c oughs> ผ ม, มีความรู้สึกถ้า ถ, ถ, ถ้าทุกคนรู้สึกแบบนี้เนี่ยสังคมจะไปอีกแบบ ในวัยเด็กที่มองว่าคนรุ้นทําผิดคนนี้ไม่ดีคนนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นคนรุ่ทําไมเป็นยี้ในวันที่อาจารย์กลับมาเมืองไทยตอนนี้เป็นคนที่เข้าใจหมดว่าอ๋อคนคุณคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นระบบมันเป็นอย่างนี้คุณคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจคนอื่นใช่เป็นจังสี่อย่างมากมันเป็นจังสั้นเอจังสั้นอ่ะมันเป็นจังสั้นก็นี่นี่คือเรื่องราวที่บอกว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของชายคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องจรวดแต่เป็นเรื่องในหัวใจของตัวเองครับ ซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับความยิ่งใหญ่นี้เช่นกันทุกคนสามารถปฏิบัติสามารถจะทำตามที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังได้ครับขอบคุณมากๆครับท่านอาจารย์ท่านด็อกเตอร์แล้วก็ท่านที่เข้าใจชีวิตขอบคุณมากมาครับ